<c oughs> <c oughs> อขอเจอริญพรญาญโยมทุกท่านนะอะอาวันนี้เป็นวันมงคลนะส่วนก็พ้าวันนี้เป็นวันพระนะวันพระนี่สิ่งที่เราควรทาก็คือการฟังธรรมธรรมนี่หมายถึงธรรมสาวนนานะวันพระเนี่ยไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์นะหมายถึงพระธรรมนะธรรมสาวนนาก็แปลว่า วันแห่งการฟังธรรมนะอยงที่เราม า, าพบปะ ก, กันในที่นี้เนี่ยนะมันทำให้สถานที่นี้เนี่ยเป็นมงคลแล้วก็ทำให้วันนี้เวลานี้เป็นมงคลเพราะว่าเรามาร่วมกันทำความดีความดีที่ว่าคือการฟังธรรมนั่นเอง เวลาพูดถึงธรรมเนี่ยหลายคนก็นึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวนึกถึงวัดนะนึกถึงพระไตรปิฎกซึ่งวัดก็ดีพระไตรปิฎกก็ดีสําหรับหลายคนก็เป็นเรื่องไกลนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยทํามามเป็นเรื่องชีวิตนะ<ม>เป็นเรื่องชีวิต<ม>คนเราเนี่ย<ม>จะมีชีวิตที่ผาสุกได้เนี่ย เราก็ต้องมีนะความรูนะ้เกี่ยวกับชีวิตด้วยอาตมาเรียกว่าวิชาชีวิตนะจะเรียนแต่วิชาทางโลกมันไม่พอนะพวกเราหลายคนในที่นี้ก็เรียกว่าผ่านโรนะงเรียนผ่านมหนาวิทยาลัยแล้วก็มีวิชาความรู้ในเรื่องทางโลกมีมากมาย หลายท่านก็เป็นนักธุรกิจนะที่มีความรู้ความสามารถหลายคนก็อาจจะเป็นผู้จัดการหลายคนก็อาจจะเป็นผู้บริหารหรือว่านักวิชาชีพเนี่ยก็เลาศแล้แต่ต้องอาศัยวิชาทางโลกแต่ว่าคนเราเนี่ย ชีวิตเราเราทุกคนก็ปรารถนาความสุขนะวิชาทางโลกเนี่ยให้สามารถจะให้ความสำเร็จกัเราแต่ว่ามันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะให้ความสุขกับเราหรือเปล่าคนที่มีเงินร้อยล้านพันล้านนะแต่ว่าเครียดนอนไม่หลับนะมีเยอะนะ <c oughs> เดีย๋ยวนี้นะโรคเครียดโรคเครียดนะมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนนะโรคเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นในในประเทศที่ร่ำรวยนะที่ไหนที่ร่ำรวยมีเศรษฐกิจนะดีเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องความเครียดในอเมริกายานะแปด แตดอันดับแรกนะแปดในสิบของยาที่หมอสั่งจ่ายหรือว่าซื้อขายกันเนี่ยมากที่สุดในอเมริกาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นยาเกี่ยวกับเรื่องความเครียดนะยาต้านซึมเศร้านะยาคลายความเครียดยานอนหลับนะ ที่มีเงินมากเท่าไหร่เนี่ยนะปัญหาความเครียดปัญหาความวิตกกังวลนะปัญหาคือกับจิตใจก็พุ่งขึ้นสูงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถ้าขอชื่อว่าให้ความรู้ทางโลกเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขนะมันต้องมีสิ่งที่อาตมาเรียกว่าวิชาชีวิตด้วยวิชาชีวิต วิชาชีวิตบอกเราว่าความสุขที่แท้คืออะไรวิชาชีวิตนก็จะบอกเราว่าชีวิตที่ดีงามคืออะไรอาจารย์พระธท่านบอกว่าชีวิตนะที่ดีงามเนี่ยคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สองอย่างนี่แหละนะอาจาว่าเป็นเกณฑ์วัดที่ดีมาก บุคคลที่บรรลุถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตเนี่ยสรับชาวพุทธคือพระพุทธเจ้าท่านถึงพร้อมด้วยสองอย่างนี้แหละคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นเพราะไม่มีความทุกข์และทำให้ท่านเนี่ยสามารถจะบำเพ็ญประโยชน์แก่สรรพสัตว์ได้ด้วยเมตตากรุณาอธิมาว่าคนเราเนี่ยนะ ถ้าเราจะวัดความความสาเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงเนี่ยเราไม่อาจจะเอาเงินทองนะชื่อเสียงเป็นตัววัดนะสิ่งที่เราจะวัดได้ก็คือนี่แหละที่เราสงบเย็นขึ้นบ้างไหมและเราทำตัวเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าสงบเย็นเนี่ยสำคัญนะแล้วความสงบเย็นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ แม้ว่ า, ากาลังวังชาจะลดน้อยถอยลงนะแม้ว่าชีวิตจะอยู่ในช่วงขาลงนะพราใ น, ในที่นี้เนี่ยบางคนก็ชีวิตก ำ, กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะยังหนุ่มยังสาวมีความสำเร็จคอยอยู่ข้างหน้า <c oughs> บางคนก็อยู่ในช่วงขาลงก็คือว่าผ่านความสำเร็จสูงสุดผ่านจุดที่เราเป็นพีคมาแล้ว นะท่านี้ของกำลังวังชาร่างกายสุขภาพหรือว่าการงานหลายคนก็เกษียณไปแล้วหลายคนก็กำลัลนะงกเกษียณแต่ว่าแม้ชีวิตจะอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยนะจะกลับมีความสุขเพิ่มขึ้นกันได้และนี่มันเป็นสิ่งที่มีหลักฐานข้อมูลยืนยันนะาะมี นักวิชาการชาวอังกฤษนะคนหนึ่งเขาไปสอบถามความรู้สึกของคนทั่วโลกทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพโอเคยียนทามากนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบประเทศแล้วก็พบว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันในทุกประเทศก็คือว่าความสุขของคนเนี่ยนะถ้าเริ่มต้นที่อายุสิบปดเนี่ย มันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุมากขึ้นความสุขนะจะค่อยๆลดลงลดลงแล้วก็จะมาถึงจุดต่ำสุดเนี่ยก็คือตอนอายุประมาณสี่สิบกว่าคือช่วงวัยกลางคนหลังจากนั้นเนี่ยความสุขก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความเครียดก็จะน้อยลงน้อยลงนะแล้วก็ไปไปสุดที่ตอนอยุแปดสิบเพราะว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยคนทั่วโลกเนี่ย อายุ80มีความสุขกว่าอายุ18นะทั้งที่80นี่แต่ปีไม่ดังแล้วนะกำลังวังช้าก็ล่ยหลนอะความสาเร็จทางโลกผ่านไปนานแล้วนะแต่ทำไมเนี่ยคนอายุ80ทั่วโลกเนี่ยกลับมีความสุขมากกว่าคนอยุ8และที่น่าสนใจคือ คนอายุสีกว่าหรือใบกลางคนเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นวัยที่ประสบความสำเร็จ ม, มากที่สุดเป็นช่วงที่ชีวิตเนี่ยพีคมากที่สุดเนี่ยก็คือประมาณนี้แหละนะหลายผู้นาหลายคนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในอาชีพก็ตอนอายุดีสกว่าโอบามาก็เป็นประธ า, านาธิบดีตอนอายุ4ี่กว่านะนะอภิสิทธ์เอ่ยทักษิณเลยก็เนี่ยสีกว่าสี่กว่ากว่าหรือว่า5้าต้ น, ตน หลายคนที่ประสบความสําเร็จทางวิชาการทางการค้าก็นี่ก็ประมาณนี้แหละช่วงที่อยู่วัยกลางคนนะอันนี้เราไม่นับนักกีฬานักกีฬานิดทีไปนานแล้วตอนยุคปานยี่สิบสามสิบก็พีคละหลังนั้นก็ลงมันก็น่าแปลกคว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตมากเป็นปหลักกระทรวงเป็นเป็นอธิบดีเนี่ยนะเป็นซีโอเนี่ยซึ่งสำวนอยู่ประมาณนนเนี่ยสี่สิบ้าสิบเนี่ย ทำไมเขาประสบความสุขสูงสุดนะในชีวิตแต่ว่าความทุกข์ของเขาเนี่ยกลับเรียกว่าสูงพอๆกันความสุขน้อยลงอั น, นี้มาแสดงให้เห็นอยันนะเอาแค่ตัวเลข ก, ก็พอมาแสดงเห็นว่าความสุขคนเราเนี่ยมันไม่ได้ที่วัยนะมันไม่ไดที่กําลังวังชามันไม่ได้ที่การมีทรัพย์สินนะคนแก่เนี่ยนะเกษีทรัพย์สินก็น้อยลงแล้วนะกําลังวังชาก็น้อยลงแล้ว หามีโรคภัยไข้เจ็ปีแต่คนแก่ทั่วโลกเนี่ยมีความสุขมากกว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวนะทำไมอะ่ะก็เพราะว่าเป็นเพราะว่าคนแก่เนี่ยเขามีประสบการชีวิตนะประสบการณชีวิตมันสอนให้เขาเห็นว่าความสุขมันไม่อยู่ที่วัตถุนะมันไม่อยู่ที่ชื่อเสียง ความสุขอาจจะอยู่กับขึ้นอยู่กับเรื่องง่ายๆสุขเมื่อได้อยู่ท่ามกลางคนรักอยู่กับครอบครัวสุขที่ได้ให้นะสุขที่ได้ดูแลคนรักอันนี้มันสุขกว่าประสบการณ์ชีวิตสอนคนแก่จานวนมากว่าความสูญเสียพัดพรากเนี่ยเป็นของชั่วคราวประเดี๋ยวปะดา คนที่ยังไม่มีประสบการณ์ชีวิต น, นพอสูญเสียพัดพร่าก็จะมีความโมโหโกรธานะงานล้มเหลวก็คุ่มกับกุ้มใจผิดหวังอกหักก็จะฆ่าตัวตายแต่ไอความทุกข์แบบนี้มันทําอะไรคนแก่ไม่ได้คนที่มีประสบการณ์ชีวิตไม่ได้เพราะว่าเขารู้ว่ามันมาแล้วก็ไปมันของเป็นของไปเดียวๆมันไม่เทียนะ่ยเจอเสียงดังเนี่ยคนหนุ่มคนสาวก็อยจะราคาญโมโห แต่คนแก่จำนวนมากนะเขาปล่อยวางช่างมันคำว่าช่างมันไม่เป็นไรเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นคำพูดติดสามคนแก่ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่สะสมมานานนะมันกลายเป็นปัญญาที่ทำให้สามารถจะปล่อยวางนะกับเรื่องต่างๆได้อีอย่างหนึ่งคนคนที่ผ่านโลคมามากเนี่ยเขารู้ว่าเวลาเขาเหลือน้อยแนละ้ว เขาจะไม่รอความสุขจากวันข้างหน้าเขาจะไม่รอความสุขจากความสำเร็จที่ยังมาไม่ถึงแต่เขาจะหาความสุขจากปัจจุบันแล้วเขาจะพบว่าความสุขในปัจจุบันนี้มันหาง่ายเนะี่ยเช่นธรรมบอนะได้อยู่ท่ามกลางรูปหลานนะท่ามกลางคนรักนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแล้วจะเห็นได้ว่าคนพอมีอายุมากๆเนี่ยเขาเริ่มนะเริ่มที่จะไปดิ้นรนไขว่คว้าหาความสาเร็จหาเงินทองน้อยลง เพือ่อมานี่นะก็อายุก็ห้าสิบไปปางหกสิบต้นๆเนี่ยในช่วงระยะหลังเนี่ยเริ่มมาพบปะหาพบปะมาสมาคมกันมากขึ้นแต่ก่อนไม่ค่อยได้เจอกันนะต่างคนต่างขวายฟ้าหาดวงดาวนะไล่ไล่าหาความฝันตามลาหาความฝันนะรวยสำเร็จนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็พบว่า การที่ได้มาพบปะเพื่อนฝูงที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ย ม, มันมีความหมายต่อชีวิตมากกว่าทีนี้ก็นัดเจอกันบ่อยนะนัดเจอกันนัดไปเที่ยวด้วยกันนัดสังสรรค์กันหรก็นัดกันไปทําบุญที่วัดธรรมามันน่าแปลกนะพออายุมากๆเนี่ยความรู้สึกอยากจะเกาะกลุ่มกันความรู้สึกอยากจะมาพบปะ ก, กันเนี่ยมันมีเพราะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมันให้ความสุขมากกว่าการที่ไปเที่ยวสนุกสนานอย่างวัยรุ่นหนุ่มสาว นี่จะหมายคือว่าคนเราเนี่ยแม้จะอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยแต่ว่าประตูหรือหน้าต่างแห่งความสุขเนี่ยมันเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆจะไม่เข้าใจว่าพอที่เราขาลงแล้วเนี่ยโอ้เรากลับจะกวดหูเศร้าหมองเพราะวาสว่ามันเดี๋ยวนี้ก็เที่ยวไม่ค่อยได้กินอะไรก็ไม่ค่อยอารอยไปอกําล้องเช้ารถน้อยถอยลงสหรับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะมันไม่ใ่มันไม่มีความหมายเลยนะ ไอ้กำลังวัยชาติที่ลดน้อยลดน้ยต่ลงหรือว่าไปเที่ยวโนอนเชี่ยวนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาสามารถจะหาความสุขหรือเห็นความสุขที่อยู่ใกล้ตัวนะและทําไมเขามีความสุขได้แม้จะแม้จะแก่แม้จะเจ็บแม้จะป่วยอาจมาเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้เนี่ยน ะ, ะมีความสุขมากกว่าลูกซึ่งยังอยู่ยืนยืนยืนยืนในใบหนุกสาวยังมีอนาคตไกล สมาเชื่อว่าเราแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเห็นแล้วก็เข้าถึงความสุขได้ไม่ยากโดยเพราะความสุขที่เรียกว่าความสงบเย็นนะความสุขเนี่ยวิชาวิชาชีพมันจะบอกเรานะว่าความสุขมีหลายแบบความสุขจากวัตถุความสุขจากการกินอาหารที่อร่อยฟังเพลงเพราะเนี่ยอันนี้มันสุขง่ายแต่หายเร็ว แล้วก็เจือไปด้วยทุกนะสุขชั่วคราวทุกยาวนานเนี่ยความสุขแบบ น, นี้สุขจากการกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยสุขชั่วคราวนะความทุกยาวนานหรือสุขเพราะการไปอตอบสนองความต้องการทางการทางราคนะบางคนนี่หักห้ามใจไม่ได้นะแต่ปเป็นกิ๊กกับคนอื่นสุขก็จริงนะชั่วคราว แล้วก็ทุกยาวนานตามมาแนะม้แต่ความสุขจากการกินอาหารที่อร่อยฟังเพลงเคราะนะมันก็อร่อยชั่วคราวนะไม่นานก็เบื่อต้องหาของใหม่ต้องหาอะไรใหม่แต่ว่ามันมีความสุขที่ประเสริฐกว่านั้นคือความสุขที่เกิดจากความสงบเย็นวิจารณ์ว่าสุขอื่นที่กับความสงบไม่มี อาตมาเชื่ว่าพวกเราเนี่ยเมื่อเมื่อเราได้ <c oughs> ได้ผ่ารุมมามากเนี่ยนะอาตมาเชื่อนะว่าเราเนี่ยนะจะสามารถหาความสงบเย็นนะจากชีวของเราได้ไม่ยากและถ้าหายยังไม่เจอนะก็ควรจะพ้นหายให้เจอเพราะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี่แหละที่เป็นเครื่องวัดความความสุขของเราว่าเครื่องวัดความสําเร็จของเราอย่างแท้จริง แล้วความสุขในที่ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งว่าเราไม่เกิดจากใจของเราตอนนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราเรียนรู้นะถ้าเราไข้ขัวเรื่องชีวิตของเราเนี่ยนะอยู่อย่างสม่าเสมอเนี่ยนะเราจะพบว่า เราก็จะถนักถึงความจริงอย่างหนึ่งว่าสักวันหนึ่งนะเราก็ต้องจากโลกนี้ไปวิชาชีวิตเนี่ยมันจะเตือนให้เราถนักว่าวันเวลาของเราบนโลกนี้เนี่ยมันมีจำกัดนะวิชาทางโลกเนี่ยไม่เคยได้สอนนะว่าเวลา ที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันลดน้อยถอยลงแต่ถ้าเราเนี่ยเปิดใจนะรับฟังเรียนรู้วิชาชีวิตเนี่ยซึ่งก็คือธรรมะเราจก็จะตระหนักว่าเวลาของเราในโลกนี้เนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆนี่เป็นความจริงที่มันไม่ค่อยมีคนปฏิเสธนะแต่ก็ไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่ ท้าวันนี้คนโมวต่บอกว่าฉันไม่มีเวลาไม่มีเวลามันก็แปลงนะยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เรามีเครื่องทุนทุนแรงทุ่นเวลาเยอะจะจะหุงข้าวจะซักผ้าเนี่ยประเดี๋ยวเดียวเสร็จละแต่ก่อนหุงข้าวจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเรื่อตั้งแต่การก่อไฟ อาตมาตอนเด็กๆนี่ก็มีหน้าที่อย่า ง, างหนึ่งคือก่อไฟอในครัวทาหน้าที่จุดไฟนะเพรใช้เวลานานมานวกวากว่าฐานนีจ่จะติดไฟเนี่ยนะแล้วก็รอให้หมอเนี่ยรอให้ข้าวเนี่ยเดือดกว่าข้าวจะสุกก็เป็นชั่วโมงเดี๋ยอนนี้เราใช้เวลาไม่นานเราหุงมข้าวไปแล้วก็ไปทํโน่นทํานี่ เรามีเครื่องทุนเวลาเยอะแต่ปรากว่าเรากลับบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วเราก็พยายามที่จะทำอะไรต่ออะไรมากมายเวลากลายเป็นเงินเป็นทองแต่ถ้าเราลองมองหมว่าเวลาของเราเหลือน้อยลงโดยเพราะผู้สูงวัยเนี่ยนะ อาตมาเชื่อคงจะตระหนักนะอยู่บ่อยๆว่าเวลาเราเหลือน้อยลงนะเวลาเหลือน้อยลงแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเช่นทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็เตรียมใจให้พวกความสงบเย็นให้คุ้มค่าการที่ได้เกิดมาเกิดมาทั้งทีถ้าชีวิตจิตใจไม่รู้จักความสงบเย็นเลยนะอาตมาว่า เสียชีวิเกิดเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะมีเงินทองมากมายความสงบเย็นมันสาคัญอย่างไรเพราะว่ามันสาคัญเพราะามันเป็นความสุขที่แท้และความสงบเย็นนี่แหละที่มันสามารถจะพาเราผ่านพ้นความทุกข์ต่างๆไปได้ในยามที่เราเจ็บป่วยในยามที่เราประสบความล้มเหลวยามที่เราสูญเสียพัดพลาดถ้าเรารู้จักทําใจให้สงบเย็นได้เนี่ย เราก็จะสามารถผ่านวิกฤตเหล่านั้นไปได้แล้วถึงเวลาที่เรานะจะต้องจากโลงนี้ไปเราก็จะไม่ทุรนทุรายเราก็จะไม่ทุกข์ทรมาการรู้จักเข้าถึงความสงบเย็นในชีวิตจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นการเตรียมตัวนะ มันไม่เพียงแต่ให้ความสุขของเราไม่เพียงแต่ให้ความสุขกับเราในในแต่ละขณะแต่มังเป็นการเตรียมตัววิชาทุกวิชานะมันต้องมีการสอบไล่เราเกิดมาในโลกนี้เรามาอยู่ในโลกนี้เพื่อเรียนวิชาชีวิตแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งเราต้องสอบ สอบไล่สอบไล่คืออะไรสอบไล่ก็คือการที่เราต้องเผชิญกับความตายไม่มีวิชาไหนที่เรียนแล้วไม่มีการสอบอาจจะมีการสอบบิดเบีสอบกลางเทอมแต่สุดท้ายต้องสอบไล่ หลายคนไม่ได้ไม่รู้เลยนะว่าเรามาโลกนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะเผชิญความตายที่จะมาถึงเราไม่ช้าก็เร็วมันเหมือนกับเด็กที่เข้าโรงเรียนโดยที่ไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งต้องมีการสอบแต่ส่วนใหญ่เด็กทุกคนก็รู้นะว่ามันต้องมีการสอบและเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวสอบเมื่อวันสอบใกล้มาถึง แต่แกลงนะเรามาในโลกนี้เนี่ยหลายคนไม่ตระหนักว่าเรามาเนี่ยเพื่อที่จะมาเรียนรู้ความเรียนรู้เพื่อเข้าใจเรื่องชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจเาให้เจริญงอกงามและเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยจะต้องมีการสอบไล่เป็นการสอบครั้งสุดท้ายความตายเนี่ยมันคือบททดสอบนะครั้งสุดท้าย สอบไล่ในโรงเรียนนะสอบตกก็ซ้ำชั้นกลับไปที่เดิมใช่ั้ยอยู่ป .4 สอบป .5 ไม่ได้ก็กลับมาอยู่ป .4 แต่ว่าสอบไลนะ่ของวิชาชีวิตนะตกก็ตกเลยนะไม่มีกลับมาซ้ำชั้นนะคือตกก็ตกแปลบายนะถ้าได้ก็ไปสุขติ สอบที่ต่างๆสอบสัมภาษณ์สอบข้ามอทยไลสอบสมัครงานสอบไม่ได้สอบใหม่แต่ว่าสอบไล่ครั้งสุดท้า ย, ยของวิชาชีวิตเนี่ยนะสอบครั้งเดียวไม่มีแก้ตัวแต่หลายคนเนี่ยกลับไม่ตระหนักนะว่า เราต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าการสอบมันยากสอบทั้งโลกนี้นะมีการประกาศวันนะว่าจะสอบเมื่อไหร่สอบ Entrance นะสอบสมรรถงานมีการประกาศเรารู้ล่วงหน้านะแต่สอบไล่ของวิชาทางวิชาชีวิตนะไม่มีการบอกล่วงหน้านะ มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะวันนี้อาจจะพรุ่งนี้อาจจะคืนนี้ก็ได้นะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ไม่ตระหนักนะแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เจอคนจํานวนมากที่เวลาจะตายก็าตายแบบแบบทุรนทุรายนะไม่ต้องรอให้สิ้นลมแล้วก็ไปอาบายนะ ไอ้ตอนที่ทุรนทุรายเนี่ยมันก็เมือนกับไปอบายอยู่แล้วมันก็ตกนรกอยู่แล้วอันนี้เพราะว่าไม่ได้มีการเตรียมตัวพิชาชีวิตเนี่ยมันบอกเราว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายมันบอก ว, ว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิต นี่คือความแน่นอนที่ไม่มีใครมีพ้นแต่ในความแน่นอนนั้นก็มีความไม่แน่นอนสูงมากก็คือไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะและธรรมะเนี่ยนะมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละมันไม่เพียงแต่ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นมันไม่เพียงแต่ทำให้เราเนี่ยไม่หลงอยู่ในความสุข ที่มันชั่วคราวแต่ทุกยาวนานมันทำให้เราเนี้ยได้มารู้จักความสุขที่แท้คือความสงบเย็นและทำให้เรานะสามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความรู้สึกที่แช่มชื่นเบิกบานแต่มันยังทำให้เราเนียนะเมื่อถึงเวลาที่เราจะตายหรือจากโลกนี้ไปเราก็ไม่กลัวเราไม่วิตก เราไม่ทุรนทุรายเพราะว่าเราจะได้รับการเตือนอยู่เสมอและเราก็จะเห็นความจำเป็นของการที่ต้องเตรียมตัวไม่ทำให้เราคิดตนางอยู่เสมอว่าคน้รนเนี่ยจะอยู่ดีอย่างเดียวไม่พอนะ คนทุกวันนี้คิดแตเรื่องว่าเราจะอยู่เราจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรชีวิตที่ดีของหลายคนก็อาจจะหมายถึงการมีเงินนะการมีบ้านการมีรถการได้เป็นผู้อำนวยการเป็นซีอีโอเป็นผู้จัดการเป็นประลัดกระทรวงเป็นรัฐมนตรีหรือบางคนชีวิตที่ดีอาจจะเนชีวิตที่มีความสุขอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นแต่และคนก็มอ ง, ตงแตกต่างกันไปนะแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ในใจมันก็คือ อยากจะมีชีวิตที่ดีแต่น้อยคนนะที่จะคิดถึงเรื่องการตายดีทั้งๆที่ชีวิตกับความตายเนี่ยมันมาด้วยกันชีวิตความตายเนี่ยหรืออยู่กับตายเนี่ยมันเหมือนกับเหรียญสองด้านสองด้านของเหรียญเดียวกัน พวเราเนี่ยจะคิดถึงเรื่องการอยู่ดีการมีชีวิตที่ดีเนี่ยอย่างเดียวไม่ทอนะต้องคิดเรื่องการตายดีด้วยแล้วเมื่อเราคิดถึงเรื่องการตายดีตายดีหมายถึงอะไรเราเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าตายดีเนี่ยเราเคยคิดเรื่องการตายดีไหมและตายดีในความคิดของเรามันคืออะไร คนจานวนมากเนี่ยไม่คิดที่จะใคร่ครวญหรือเสียเวลาคิดนะว่าเฮ้เราอยากจะตายดีหรือเปล่าและตายดีคืออะไรเราเอาเวลาไปทำอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่เมื่อถามทุกคนก็ ต, อ, กตอบว่าฉันก็รู้ว่านะฉันต้องตายความตายอยู่เบื้องหน้าแต่เพียงแค่ถามว่าเรารู้ไหมว่าและปรารถนาที่จะตายดีไหม หรือรู้ไหมว่าตายดีเนี่ยมันหมายถึงอะไรก็ตอบไม่ได้บางคนบอกว่าตายดีเนี่ยหมายถึงว่าหลับตายไปเลยตายโดยไม่เจ็บไม่ปวดอันนี้จะเรียกว่าตายดีได้ไหมบางคนหลับตาย หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแต่เราแน่ใจรึเปล่าว่าเขาตายดีเพราะก่อนตายก็อาจจะฝันร้ายแล้วเขาช็อกหัวใจหยุดเต้นไอ้อย่างงี้เนี่จะเลยคิดว่าตายดีไหมเพราะว่าก่อนตายก็ทรมานและถ้าตายด้วยความรู้สึกแบบนี้ด้วยจิตแบบนี้ก็อาจจะไปทุกติก็ได้ เพราะว่าจิตสุดท้ายนี่ไม่ดีนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยจิตสุดท้ายีะเป็นตัวกำหนด ว, ว่าไปดีหรือไม่ดีเนะถ้าช็อคตกใจแล้วตายเนี่นะนะแสดงว่าจิตใจตรงนั้นเนี่ยเป็นอกุศลไม่จะไปดีได้ยังไงหรือว่าหมดลมหัวใจหยุดเต้นแต่จิตมันยังรับรู้ได้แล้วพบว่าตัวเองตายไปแล้วก็ตกใจเพราะว่า ยังห่วงลูกยังห่วงพ่อแม่อย่างนี้เราจะรอไปดีหรือเปล่าอย่างนี้จะเรียกว่าตายดีมันมีคุณปู่คนหนึ่งแกอายุแปดสิบแกมีปัญ ห, หาหัวใจแกก็เลยไปผ่าตัดแปดสิบนี่ผ่าตัดหัวใจนะเขาจะเป็นปบายพาสเนี่ยปกฏว่ารอดนะรอดทั้งที่เปอร์เซ็น อยู่กับตายเนี่ยบางทีห้าสิบห้าสิบเลยหรือต่างกันนิดหน่อยบพราว่ารอดแก่ถ้าก็ไปพักฟื้นที่บ้านพักฟื้นได้สามวันแกก็ตายหลับตาย เ, ยเคยว่าเออแกไปดีนะฉันก็อยากตายแบบนี้แหละคือหลับตายแต่บอกว่านี่นคนลน่านว่าแกไปเข้าร่างของคนรู้จักข้างบ้านแล้วก็คร่ำมครวญ เสีใจเพราะว่ายังไม่ได้สั่งเสียลูกหลานเลยไปซะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเรียกว่าตายดีนะอย่างนี้เรียกไปดีนะหลักตายอ่ะนะแต่ว่าใจยังห่วงหาอาวรที่จริงแปดสิบแล้วเนี่ยแปดสิบแล้วเนี่ยแล้วยังไม่สั่งเสียลูกหลานนี่ถือว่าประมาทมากนะที่จริงควรจะสั่งเสียลูกหลานตั้งแต่ตอนจะเข้าโรงพยาบาลแล้วหรือควรจะสั่งเสียลูกหลานตั้งแต่ตอนอยุ่งเจ็ดสิบแล้วไม่ใช่มารอ ให้ผ่าตัดเสร็จแล้วก็ยังไม่ทำอะไรเสร็จแล้วพอจะตายก็ถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าตายดีนะแต่ว่าจิตใจก็ยังเป็นทุกข์คร่่าครวญยังห่วงลูกยังห่วงหลานเพราะยังไม่ได้สังเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักตายเนี่ยอย่าไปเชื่อว่ามันจะ เ, เป็นการตายดีนะ ในท้องศาสนาเนี่ยตายดีไม่ได้พิว่าหลับตายหรือเปล่าไม่ได้พิว่าตายโดยไม่ปวดไม่ได้ที่ว่าตายโดยอยู่ท่ามกลางลูกหลานตายโดยที่ไม่เป็นภาระก่อลูกหลานนะแต่ว่าตายดีก็คือว่าตายคุณภาพจิตเนี่ยนะเป็นกุศลไม่มีความอาลัยอาวรไมม่มมี์ไม่มีความห่วงหาอาลัยหมดเรียกว่า ปล่อยวางเป็นการตายที่กิดเป็นกุศลเพราะเราลึกถึงความดีที่ได้ทำจิตใจชั่งชื่นเบิกบานรู้สึกภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาคำถามคือว่าถ้าเราอยากจะตายแบบนั้นเนี่ย เราได้เตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนเราได้ทำอะไรบ้างหรื อ, อยังในการที่จะได้ทำให้จิตของเราเนี่ยพร้อมสำหรับการตายดีคนทุกวันนี้เนี่ยในความเชือของตานะเมื่อคนที่อยู่แบบลืมตายคือ พยายามลืมว่าตัวเองจะต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่งเวลาใครจะพูดเรื่องความตายก็บอกว่าอย่าพูดเป็นอภิมองคลไม่ดีเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยหวาดกลัวความตายแม้กระทั่งจะเอ่ยคำว่าความตายก็ไม่กล้าเราจะเลี่ยงไปใช้คำอื่นสิ้นลมสิ้นชีวิตจากไปไม่อยู่แล้ว นะหรือว่าเขาสลักแล้วก็วจะมีคำที่ใช้เพื่อเลี่ยงคำว่าความตาย เ, ย, เยอะมากตอนที่อาตมาเริ่มโครงการเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยเมื่อปี47นะก็มีคนบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนชื่อดีกว่ามั้งชื่อมันชัดไปแนละ้วความตายเนี่ย จะเปลี่ยนเป็นว่าสุนทรีย์ ม, ม, มรณาก็คงได้เมื่อไรเนี่ยนะสำหรับว่เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกถ้าคำว่าความตายยังรับไม่ได้เนี่ยและจะไปเจอความตายจริงๆได้อย่างไร<ม>ก็บอกว่าคนเดี๋ยวนี้นะก็พูดกับเรื่องพูดคำว่าความตายได้กันมากขึ้นแต่จำนวนมากก็ยังบอกยังยังยั ง, ยงอย่างที่จะมาบอกคืออยู่มันคนลืมตาย พยายามทาตัวให้วุ่นทำใจไม่ให้ว่างจะได้ไม่นึกถึงความตายเพราะถ้าว่างเมื่อไหร่นะจิตมันก็จะหัวระลึกว่านึกถึงความตายของตัวหรือว่านึกถึงความตายของคนรักแล้วก็เสียดสิแล้วก็เสียสยองก็เลยพยายามกลบเกลื่อนไม่อยากที่ถึงมันด้วยการทำตัวให้วุ่นทำใจไม่ให้ว่าง เสร็จแล้วนะวันนึงเนี่ยพราบว่าตัวเองเป็นปโรคร้ายหมอว่าคุณเป็นมะเร็งก็หมดอะไรตายอยากชิดมีชิดเหมือนคนตายทั้งเป็นนะเพราะอยู่แบบลืมตายนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่แบบตายทั้งเป็นหรืออยู่แบบ คนที่ไม่มีชีวิตชีวาหลายคนพอรู้ตัวเป็นมะเร็งนะแม้จะเป็นมะเร็งอันดับระดับสองนะกินไม่ได้นอนไม่หลับหดอะไรใจอยากปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่อาบนะ้าไม่กินไม่อยากกินข้าวนะไม่มีชีวิตชีวาเลยอันนี้เรียกว่าตายทั้งเป็นหรืออยู่เหมือนคนตายเพราะอะไรเพราะว่าตอนตอนที่ตัวเองสุขสบายดีเนี่ยเขาอยู่แบบคนลืมตาย เสรแล้วก็ต้องมาลงเลยว่าดูเหมือนคนตายทั้งเป็ดถ้าถึงเวลาตายจริงนนะก็ทุรนทุรายภาษาโบราณเรียกหลงตายหนะลงตายคือว่าตายแบบไม่มีสติทุรนทุรายกระสบกระสา่า <c oughs> อันนั้นอย่างนี้เรียกว่าไม่อย่างนี้ไม่เรียกว่าตายดีนะถ้าตายดีคือตายที่เป็นความตายที่พร้อมเผชิญกับกับ ความสิ้นสุดของชีวิตโดยยอมรับมันเป็นธรรมดาไม่ได้มองความตายเป็นศัตรูแต่มองความตายเป็นธรรมดามองความตายเป็นมิตรเลยซ้ำจริงๆความตายไม่น่ากลัวนะสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าคือความกลัวตายความตายไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าคือความกลัวตาย คนฉลาดถ้คนกล้าเนี่ยตายครั้งเดียวนะก็คือหมดลมหัวใจหยุดเต้นก็ตายไปเลยครั้งเดียวแต่คนขาดตายหลายครั้งเช่นพอเป็นมะเร็งเนี่ยก็เรียกว่าตายแทบทุกวันหมดอะไรตายอยากกับชีวิตไม่เป็นอัรกินันนอนอยู่แบบไม่มีชื่อชีวาที่เพราะความกลัวตายทําให้เป็นอย่างนั้นแต่คนที่กล้าหาญนะ ไม่มีความสืบแบนนั้นถึงเวลาตายก็ตายเลยครั้งเดียวจบปิดฉากแต่คนขาดตายหลายครั้งคัางในที่นี้คือกลัวตายเมื่อกลัวตายก็ทำให้ต้องตายหลายครั้งตายในทางจิตใจมันว่าคือไม่มีชีชาวชัวเราง้นทางที่ดีเนี่ยนะแทนที่เราจะหนีความตายเนี่ยซึ่งมันหนีไม่พ้นจะดีกว่าถ้าเรามาฝึกใจเราให้ กลัวตายน้อยลงการที่ทําการที่คนเราจะกลัวตายให้น้อยลงเนี่ทยทํายังไงก็ต้องทําใจคุ้นชินกับมันเช่นการรู้ถึงความตายอยู่เสมอเรียกว่าจเร จ, ราจริญมรณะสติเจริญมรณะสติเนี่ยนะ ร, รู้ถึงความตายก่อนนอนเราก็รึกว่าสักคืนนี้เราจะต้องตายนะแล้วก็พร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่ง เจนนอรมนัสสติทุกวันันละหลายเวลาก็ยิ่งดีเมื่อใจเราคุ้นชินความตายถึงเวลาเราจะตายเนี่ยเราก็โกรักลัวน้อยลงซ้อมตายก่อนนอนทุกวันถนะึงแม้ว่าคนเราเนี่ยไม่เคยตายมาเลยเนี่ยแต่ว่าเราซ้อมได้และการซ้อมจะทําให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือความตายได้โดยที่ใจไม่ตื่ตระหนก เมือนกัคนที่ไม่เคยขึ้นเวทีพูดกลางที่ชุมชนนับหมื่นคนที่สถนนที่สนามรัชมังคลานะไม่เคยพูดทํำยังไงอ่ะก็ต้องซ้อมเนี่ซ้อมพูดหน้ากระจกซ้อมพูดหน้าต่อหน้าเพื่อนสักสิบยี่สิบคนซ้อมมาพูดต่อหน้าคนน่ยห้าสิบหสิบคนแบบนเนีนะ้ซ้อมเท่าไหร่ซ้อมบ่อยๆซ้อ ม, มบ่อยๆมันก็จะประมาน้อยหนูถึงเวลาขึ้นเวทีแม่จะไม่เคย ขึ้นเวทีที่มีคนฟังเยอะขนาดนั้นแต่เนื่องจากซ้อมมาบ่อยเนี่ยเราก็จะประมา น, น้อยลงเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นถ้าเราซ้อมตายบ่อยๆเนี่ยซ้อมตายด้วยการเจริญมรรคสตรเหมือนเสมือนกับว่าเรากำลังจะตายคืนนี้ไม่ทำให้เราจะมีความคุ้นชินความตายมากขึ้นประการที่สองเนี่ย การขึ้นชิงความตายเกิดขึ้นได้จากการที่เราทําความเข้าใจเรื่องความตายอยู่อยู่บ่อยๆความตายเกิดจากการไม่รู้และความกลัวเกิดจากความไม่รู้มีนักศาสตร์คนหนึ่งบอกว่าในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทําความเข้าใจนี่ฝรั่งพูดนะมาริคูรีเขเป็นนักวยาศาสตร์มีชื่อมากเขาบว่าในโลกที่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วก็หายกลัวก็ตรงกับพุทธศาสนาที่ว่ากลัวนี่เพราะอ ว, วิชชาเมื่อปัญญามาแทานอวิชชาความกลัวก็หายไปทุกวันนี้คนไม่ค่อยคนมีอวิชชาเกี่ยวความตายเยอะไม่รู้จักความตายดีพอก็เลยกลัวตายแต่ถ้าเราศึกษาความตายที่รู้จักความตายดีพอจะพบว่าความตายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตทางจิตวิญญามันเป็นโอกาสมันไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตทาง มันไ ม, ไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตแตมันเป็นโอกาสด้วยมันเป็นวิกฤตทางกายแต่มันเป็นโอกาสทางวิญญาณโอกาสทางจิตใจอาจารย์พุทธาบอกว่ า, วาตอนจะตายเนี่ยเป็นนาทีทองของชีวิตนะความตายไม่ใช่นรกนะความตายคือนาทีทองเพราะว่ามันสามารถจะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ พระอาราหารันต์เป็นนไม่น้อ ย, อยท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์เนี่ยตอนที่กำลังจะตายตอนที่มีทุกขเวทนามีความเจ็บปวดและทุกเวทนาหรือความทุกข์เหล่านั้นมันทําให้ท่านเห็นธรรมเห็นธรรมปัญญาก็เกิดพอปัญญ า, ก เ, กญญากเกิดจิตก็หลุดพ้นเป็นพระอาราหันต์ทจริงแม้กระทั่งในเรื่องทางโลกในความตายก็ช่วยได้มากนะ ส, ส, ส, สตีฟจอมเคยบอ ก, นกเนี่ยความตายเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะตัดสินใจเรื่องสําคัญสำคัญได้เวลาตัดสินเวลาซีจ้องตัดสินใจไรไม่ได้เนี่ยเขามีแล้วเขาต้อคิดเนี่ยเขาตื่นความตายก็จะรู้เลยว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญเขาบอกว่าเวลาคนเรามามีก็าบอกความตายเนี่ ย, <Okay. S 2> าา ย, ยการรู้ถึงความตายขอยงตัวเองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ดีอันหนึ่งเลยนะในการช่วยทําให้คิดชัดและเวลามีความกลัว มีความวิตกกลัวล้มเหลวกลัวเสียหน้าหรือแม้แต่เวลาช่วงที่มันมีความเพยรทียานนะมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยเมื่อถึงความตายอันนี้ซีจอกก็พูดในเชิงความหมายทางโลกนะแต่ว่าในทางธรรมเนี่ยมันก็เหมือนกันมันไปโย์หลายคนพบว่าความตายเนี่ยเมื่อใกล้ความตายเข้ามาเนี่ยชีวิตมันสมบเย็นมากขึ้นเพื่อตอมาเนี่ย เป็นมะเร็งเต้านมเธอก็เป็นมา17ปี2ปีสุดท้ายเนี่ยเธอบอกว่าเป็นช่วงเธอมีความสุขมากตอนนั้นเธอก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นแต่ว่าจิตใจเธอก็มีความสุขเพราะว่าเป็นความตายมันมาเตือนให้เธอเนี่ยได้จากรปล่อยวางปล่อยวางเพราะปล่อยวางนีเนี่ยป่อยวางเรื่องเงินปล่อยวางเรื่องชื่อเสียงปล่อยวางเรื่องหน้าตาเนี่ยใจก็มีความสุข สงบเย็นอย่ที่ไม่เคยพบมาก่อนให้ความตายมันสามารถหรือความเจ็บป่วยเนี่ยมันสามารถจะนําสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตของเราได้หลายคนที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันก็กลับมาคืนดีกันสามีมาคืนดีกับภรรยาเพื่อนมาคืนดีกับเพื่อนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใกล้จะตายมันทําให้ความตายมันทําให้ ทั้งสองฝ่ายเนี่ยลดที่สิมันนะอ่านมาคืนดีกันบางทีลูกก็มาคืนดีกับแม่หรือแม่ก็ให้อภัยลูกภรรยาให้อภัยสามีความตายมันชักนำให้คนที่เคยเหินห่างหมางเมอนกันเนี่ยมาคืนดีต่อกันนันถ้าเรามองนะความตายเนี่ยหรือความเจ็บป่วยเนี่ยมั น, ม, นมันมีประโยชน์มันมีข้อดีเยอะ หลายคนบอกว่าขอบ ค, คุณที่เป็นมะเร็งขอบคุณที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งเนะพราะมะเร็งมันทําให้เขาได้รู้จักธรรมะได้แบบพบความสงบเย็นในชีวิตไอ้ตอนที่ไม่เป็นมะเร็งตอนที่สุขภาพดีเนี่ยก็ไปรุ่ม ห, ห, หลงหมกมุ่นกับงานการบ้างกับความสุกสนานเพลิดเพลินบ้างพอเป็นมะเร็งกลัวตายก็ทําให้หันมาสนใจธรรมะหันไปปฏิบัติธรรม เราก็ได้พบกับจุดมุ่งหมายของชีวิตที่แท้จริงและพบกับความสุขเพก็เลยบอกขอบคุณที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยโดยละแต่มีประโยชน์นะไม่ใช่แต่เฉพาะความเจ็บความป่วย ถ้าเรารู้จักมองให้เป็นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากมันมากเมื่อปี54เนี่ยมันมีน้ําท่วมใหญ่นะก็มีผู้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยสูญเสียทรัพย์สินไป บ, บางคนก็สิ้นเนป้อปานตัวบางคนเนี่ยเสียเงินไม่พอมเสียทรัพย์ไม่พอนะเสียจริตด้วยคือบ้าทําใจไม่ได้บางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายบางคู่ก็แยกทางกัน แต่มีคนนึงเนี่ยนะเธอก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยนะแต่เธอก็บอกว่าเนี่ยเออน้ำท่วมมันก็สอนเขานะน้ำท่วมก็สอนเรานะว่าไม่ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยทุกอย่างมาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วข้าวแล้ววันดีคืนดีถ้าไม่ไฟก็น้ําก็พาไปหรือบางทีคนก็ขโมยมันไปจากเราเราจะมาคิดว่าออคุณคนนี้เนี่ยแกได้กำไรจากเหตุการณ์น้ําท่วม แกเสียสรัพย์นะแต่แก็ได้ธรรมะได้ปัญญาได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีวิตว่ามันไม่เป็นอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างมาอยู่กับเราชั่วคราวแล้วความรู้แบบนี้เนี่ยเงินก็ซื้อไม่ได้และใช้เงินซื้อใช้เงินหายังไงก็หาไม่เจอมันต้องเกิดจากประสบการณ์และการรู้จักใคร่ครวน ก็กายเป็นว่านะน้ําท่วมต่อกลายเป็นของดีสําหรับเธอทําให้เธอได้ได้มีภูมิคุ้มกันต่อความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าวันข้างหน้าถ้าเกิดว่าเธอเสียมากกว่า น, นี้เธอกอ็คงจะไม่ทุกเพราะเธอได้ทําใจไว้แล้วเกิดปัญญายแล้วมีคนนึ่งก็นสนใจนะเป็นช่างนะเป็นผู้ชายแล้วแกคงจะทําและไม่เสร็ ไม่ไม่วีท่าไหนนะไฟเนี่ยมันชอ็อตไฟนี่คงจะแรงสูงยิ่งกว่าสองสิโบโวล์นะมันช็อตที่ขาต้องตัดขานะการกี่การตลอดชีวิตยังหนุ่มอยู่เลยนะแล้วไม่นานเนี่ยภรรยาก็ทิ้งแกไปคุณลองนึกนะโอ้โหเสียขาแล้วเนี่ยนะต้องมาเสียเมียอยีกนะแล้วอนาคตจะอยู่ยังไง ก็มีคนถามผู้ชาวนี้นะรู้สึกยังไงทนะี่เมียทิ้งแ่ตอบว่าก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะแม่แต่เขาของมเล้แม่มันยางขึ้นผมไปเลยแล้วให้เมีย ม, มันอยู่กับเราจะยังไง<ม>ไการที่เขาเสียขาเนี่ยมันทำให้เขาได้คาว่าว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยขาเนี่ยนะข้างเนี่ยสองข้างเนี่ยที่มันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเนี่ย มันก็ไม่ใช่ของเราคนบางคนพอเสียขาเนี่ยตีโอกชกหัวจะฆ่าตัวตายแต่ําวบางค น, เ, นเขาได้ธรรมะมันสอนธรรมะเขาเพราะฉนั้นเนี่ยความสูญเสียก็ดีความเจ็บปวดก็ดีแต่เมื่อความตายมันสามารถจะมันมีประโยชน์นะมันสามารถจะให้อะไรดีๆกับเราได้เรา้นถ้าเราเข้าใจความตายในแง่งนี้เราจะไม่กลัวความตาย เราจะพร้อมรับความตายเราจะพยายามรับเตรียมตัวเพื่อรับมือความตายเพื่อใช้ประโยชน์ความตายให้ดีที่สุดนะแลการที่เราจะเตรียมตัวรับมือความตายเนี่ยนะอย่างที่รมาบอกนะนการพิจารณาถึงความตายอยู่เสมอเรียกว่าเจริญมรณะสติหรือว่าซ้อมตายอยู่เป็นอา จ, จิน 2. การหมั่นทำความดี พยายามล่าเป็นความชั่วเมื่อเราทําความดีเนี่ยนะให้ทำให้เราเนี่ยมีความภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาเราจะกลัวความตายน้อยลงเพราะเรารู้ว่าเราไปดีแน่เพราะเราทําความดี mm hmm. พระรูปเจ้าสลัยที่เป็นพระทพธิสัตว์ก็คือว่าสมัยที่ยังไม่ตัดสวรู้ค์เนี่ย mm hmm. เคยกล่าวไว้ว่าเราไม่เคยทาชั่วในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึง อีกตอนท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมไม่กลัวปรารภปรารภคือพบหน้าเมื่อตั้งมั่นในธรรมเนี่ยก็ย่อมไม่กลัวเลยนะว่าพบหน้าจะไปเกิดที่ไหนมันไม่ใช่นรกแน่เพราะว่าทําความดีมาตลอดนี่ก็เป็นการเตรียมตัวเหมือนกันนะเตรียมตัวการเตรียมอย่างที่สามนะนอกจากการเจริญรสนิสติการทําความดีไม่ทําชั่วแล้วเนี่ยก็คือการหมั่นภาวนาการหม่นภาวนาการสุ ก, กจิตฝึกใจปล่อยวาง ปล่อยวางไม่ได้สาคัญนะฮะเพราะว่าหลายคนตายไม่ยอมตายเนี่ยเพราะว่ายังยึดติดในร่างกายนี้ยังยึดติดในรูปยังยึดติดในหลานยังยึดติดในทรัพย์สมบัติทำให้ตายไม่ได้บางคนตายเนี่ยตายอย่างค้างเลยนะบางคนตายเนี่ยตาค้างปิดตาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมคนไข้คนคนี้เนี่ย ผู้หญิงคนนี้แะเป็นมะเร็งแล้วแกก็ตอนที่แกป่วยนะแกก็ถามแต่ลูกคนสุดท้องอายุสิบขวบเป็นผู้ชายแกห่วงลูกคนนี้มากที่ว่ากลัวจะตายแล้วกลัวว่าจะเป็นเหมือนพี่ชายสองคนซึ่งติดยาแล้วก็ติดคุ๊บจะตายเนี่ยแกก็ยังห่วงลูกคนนี้พอตายเสร็จตายแกฆ้า เกย บ, บานพยายามที่ยปิดตาก็ไม่สำเร็จวันรุ่งขึ้นเนี่ยญากผู้ใหญ่ามารับศพเห็นตาค้างกันเลยคิดว่าผู้ตายคงห่วงมีห่วงอยู่จุดทูบนะจุดทูบบอกว่าไม่ต้องห่วงนะลูกคนสุดท้องของเลือว่าจะดูแลเองนะแต่แล้วก็ ปิดเปลือกตาเปราก็คราวนี้เนี่ยหลับตาได้นะแสดงว่าคนคนตายเนี่ยเขาเขาตายตาไม่หลับเพราะก็ห่วงลู ก, ลกนี่มีแบบนี้เยอะนะบางคนห่วงเมียนะมีลุงคนนึงเนี่ยนะแกห่วงเมียมากแกจนสองคนเนี้ยรักกันมากแกก็ตอนจะตายแกก็บอกเมียว่าลือ้อบอกแกเนี่ย แกอย่าไปกู้เงินมาทำศพหรือมาซื้อโรงให้ฉันนะไม่มีเงินก็เอาสมนี้ให้โบสถ์คริสต์ไปเลยนะแล้วตอนตอนจะตายจน้องเลาสุดท้ายแกก็ยังคิดเรื่องเนี้ห่วงเรื่องนี้ตายเสร็จตาแกก็เปิดแต่โชคดีนะว่าช่วงที่แกเปล่าลเรื่องว่าแกห่วงเมียเรื่องนี้ภรรอาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยโรงพยาบาลที่ป่วยเนี่ย ทีบางที่ก็เก็งมาชื่อการดาวกสีก็พยายามที่จะวิ่งเป้นเนพื่อาเงินสงเคราะห์เนี่ยมาช่วยเป็นค่างานจัดงานศพค่าลงก็ได้นะได้สองหมื่แล้วพอรู้ว่าคนลุงคนนี้แกตายตาแก่ไม่หลับเนี่ยก็รีบไปบอกก็ไปบอกเมียของลุงคนนี้บอกว่าให้ไปบอกลุงนะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเงินแล้วมีเงินค่าทาศพแล้วมีเงินค่าลงแล้วไปบอกไปบอก กับลุงซึ่งตายไปแล้วนะและตาเปิดค้างเนี่ยพอบอกเสร็จนนแล้วก็ให้เอาให้ก็แกก็รูบนะรูปตาเพราะว่าหลับนะตาเปลือตาก็ยอมปิดนมันก็หมดห่วงนะน่นความห่วงเนี่ยมันทำให้หลายคนตายไม่สงบหรือและทุรนทุรายก่อนตายมีคุณลุงคนหนึ่งนะแกเป็น แกมีปัญหาเรื่องไตแล้วแกก็ไปล้างไตมาเป็นสิบปีนะเกือบสิบปีแกรั่วแกคงจะล้างตายได้ได้ได้ไม่นานเพราะว่าระยะเวลาการล้างไตก็ประมาณสิบปีอาจจะสูงสุดก็สิบห้าปีวันหนึ่งแกก็เลยเรียกลูกเลี้ยงแกเรียกยุ้งลู ก, ล ก, ลกมาบอกว่าให้ไปหาทนายมาจะทำที่ไหนกําลวงนี้ลักพอมากนะ เห็นว่าพ่อพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นลามไม่ดีก็เลยแก้งทําแก้งทําเป็นลือไม่เรียกทนายมาสองสามวันที่ต่อมาเนี่ยแกก็ไปล้างตายเหมือนเดิมราะว่าความดันขึ้นเรื่องในสมองแตกก็ปั้งมาที่โรงพยาบาลอยู่สองสาวันไม่สําเร็จเบอกว่าตอนที่ตายเนี่ยหน้าตาแกเหมือนหน้านี้คือขมวดหน้านี้คือขมวดเหมือนก็ว่าผังวอะไรบางอย่าง ก็คงก็ดาว่าคงห่วงเรื่องพ่นัยกรรมเอามีนะคนเนี่ยหลายคนเนี่ยตายไม่ได้เพราะว่ามันยังมีห่วงอยู่ห่วงลูกห่วงทรัพย์ห่วงพีนัยกรรมห่วงงานก็มีนะคุณลุงคนหนึ่งนะแกเป็นคนเชอบกิจการชอบาพาคน ไปทอดพระป่าชากรถิถ่นตามวัดในชนบทไกลๆเพื่อสร้างบสถสร้างวิหารแกทำํำไปสิบๆปีแล้ววันึ่งปเป็นมะเร็งมะเร็งก็ลามเร็วมากจนงระทั่งแกมาอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแกเนีกมีาการกระสับกระส่ายลูกหลานที่เแกเป็นคุณธรรมธรรโมก็เลยให้ฟังเทศธรรมะพระสวดมนต์บอกว่าทําแล้วนี่ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะที่มีการกระสับกระส่าย ก็ <ET. S 2> แปลกใจคนธรรมะธรรมโมทําไม <iet> ฟังเทศธรรมะข้าศึมันไ ม, ม, ม่สงบมีนะอย่าไปคิดว่าคนทํามะเนี่ยคนมีธรรมะเราจะฟังเทศธรร ม, มาได้ดีเพราะว่าไม่นานเนี่ยเพื่อนสนิทมาถึงพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปพูดข้างเตียงเพื่อนที่ป่วยอยู่ว่าไอโบยที่สร้างยังไม่เสร็จไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยเหลสร้างให้เสร็จ รนะาวกว่าแกสงบเลยนะแปลว่าอะไรเพราะว่าแกห่วงเรื่องสร้างโบสถสร้างโบสถนี้เป็นมหาบุญมหาภุญสนนะแต่ว่าถ้าเวลาตายนะก็ต้องวางนะความดีหรือบุญบุญสนนี้ไม่วางนี่เป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าความยึดติดยังเป็นทุกข์ยึดติดในความดีมันก็ความดีก็กลับเราได้ต้องปล่อยวางนะเพราะฉะนั้นะ สิ่งที่ช่วยทำให้เราตายดีเนี่ยนะนอกจากการเรารึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนึกถึงความดีที่เราได้ทําต้องรู้จักปล่อยวางด้วยเนี่ยถ้าปล่อยวางไม่ได้เนี่ยตายไม่สงบนะฮะแล้วในคํามบูชศาสนาเนี่ยตายแล้วนี่ไปอภัยนะมีภาพรูปหนึ่งเนี่ยนะสมัยพุธกาล พี่สาวให้จีวอเนื้อดีมาท่านก็ดีใจเพราะวสมัยก่อนจีวอหายยากแต่ไม่ทันจะได้ใช้นะบอกว่าก็มรณภาพที่สุดท้ายท่านเนี่ยคิดนึกถึงจีวอนืนนั้นนะเสียดายไม่ได้ไม่ได้ครองหรือเสียใจที่ไม่สองสรัทธาพี่สาวเขาก็พอตายเสียจแล้วไปไหนฮไปเป็นเลนอยู่ในจีวอนะืนนั้น ห่วงตั้งเนี่ย น, น, นะก็เลยไปเป็นจีวอเนี่ยเป็นอยู่เจ็ดวันพอครบอายุของจีวอนะพอครบอายุของเลนตายก็ถึงได้ไปสวรรค์เพราะว่าเคยทําความดีไว้ไอ้ทาความดีนี่มันก็ยังไม่แน่วจะไปดีนะถ้าเกิดวจิตสุดท้ายเนี่ยนะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมีความห่วงมีความหวงนะมีความเครียดแค้นไปไม่ดีนะ ้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะตายดีนะจะต้องวางไม่ใช่วางเฉพาะลูกหลานหรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นทรัพย์สมบัติไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ให้ความที่ไม่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยก็ต้องวางนะคนเราเนี่ยไม่ได้คนเราเนี่ยเราไม่ยึดติดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานะ สิ่ที่ทำความพึงใจกับเราเราก็ยึดนะเช่นความโกรธความเกลียดความรู้สึกผิดบางคนเนี่ยนะอายุ80แล้วเนี่ยจะ90แล้วเนี่ยก็ยังบ่นถึงผัวนั่นแหละนะถึงนอกใจมาเมื่อ40ปีที่แล้วนะผัวนอกใจมา40ปีที่40ปีที่แล้วก็ยังพูดถึงผัวนั่นแหละนะไม่ปล่อยไม่วางเลย หรือบางคนก็เอาแต่ปนถงลูกที่ทำให้ช้ำใจเป็นสิบปีแล้วนะก็ยังไม่วางหรือบางคนก็ห่วงหลานนะขาดหลานไม่ไดนะ้อันนี้เป็นสัญญาณว่าถ้าไม่แก้ไขนะก็ตายไม่ดีนะตายไม่ดี วันนั้นเนี่ยถ้าเราอยากตายต้องรู้จักปล่อยปล่อยทั้งสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา <c oughs> เช่นลูกหลาน <c oughs> นะสามีภรรยาพ่อแม่สิ่งที่ให้ความสุกขกับเราเช่นความโกรธความเกลียดความพยาบานบางคนโกรธบางคนรู้สึกผิดตายไม่ได้นะมีหัวหน้าพยาบาลคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งปอดแล้วแกก็ เอาแล้วแกก็แย่ลงแย่ลงเรื่อยจนตายอยู่แล้วแกไม่ยอมตายสัญญาชีพท่้สัญญาชีพมันแยกลงไปเรื่อยแต่กไม่ยอมตายตายแกเปิดค้างอย่างเงี้ยเปิดค้างมือนก็บว่ากำลังจะต่อสู้ความตายไม่ยอมปิดเพราะปิดแล้วเนี่ยกลัวอยากจะตายเลยจนกระทั่งรุ่นน้องยาบาลลูกน้องมาพอแกเห็นนี้แกรูปลงกําลังเนะแลกแกก็พยายามพูดนะ มะเร็งปอดยังพูดยากนะพูดไม่ค่อยได้ขอโทษพยาบาลคนนั้นเพราะว่าเคยทําไม่ดีกับเธอเนื่องจากเข้าใจผิดว่าเธอเล่นเก่กับสามีแต่ตอนนี้เข้าใจความจริงแล้วก็เลยอยากจะขอโทษพยาบาลคนนั้นก็ให้อภัยแล้วก็บอกว่าหนูเข้าใจพี่พอพูดพอแกได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้ยินคำให้อภัยนะ แกก็สบายใจแกก็หลับตาแล้ววันนั้นแกก็ไปหลายคนตายไม่ได้เพราะว่ามันยังมีความสึกผิดติดขางใจหลายคนตายเพราะยังมีความโกรธนะโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะว่าทําความดีมาทั้งชีวิตทำไมถึงต้องเป็นมะเร็งโกรธเพราะว่าอุตส่ากินอาหารต้านมะเร็งกินอาหารชีวจิตนะ พย า, ยามออกกำลังกายด้วยความเชื่อว่าจะทําให้เป็นเป็นมะเรง็งแต่ดันเป็นไอ้ที่คนกินเหล้าสูงผบุหรี่กินเนื้อมันดันไม่เป็นนะอเมริกาถ้ามีคนเป็นอย่างงี้นะโกรธนะว่าเราถูกกลั่นแกล้งถูกหล อ, อกลวนะงนะรู้นี้พวกกินเนื้อกินอะไรเป็นหลักกินกินเอามากินชีวิติตเนะีอาหารก็อแสรจะหน้าแสนจะจืดชื่อเหลือเกินถ้ามีคนนี้นนะคนที่โกรธนะ โรธที่ทําดีแ ล, ล้วทำไม่เป็นมะเร็งโกรธที่ดูแลสุขภาพอย่างดีดั่เป็นมะเร็งต้องปล่อยวางนะฮะแล้วเราจะปล่อยวางได้เนี่ยมันไม่ใช่มาปล่อยวางตอนจะตายนะมันต้องปล่อยวางตอนตอนนี้ตอนที่ยังมีลมหายใจตอนที่มีสุขภาพดีเริ่มปล่อยวางตั้งแต่เนี่ยนะเงินหายของหายก็ปล่อยไปอย่าไปคิดมากถ้าหาไม่เจอก็ช่างมัน ปล่อยวางเรื่องลูกบ้างปล่อยวางเรื่องหลานบ้างนะอย่าไปจำที่จำใช้เขามากนะ ถ, ถือว่าเป็นการฝึกเพื่อให้เราเนี่ยจะตายดีอันนี้เราเป็นการเตรียมใจนะหนึ่งทำความดีไม่ทำความชั่วสองมันเลยมอนาสติย่เสมอสามมันฝึกใจฝึกปล่อยวางนะฮะ รวมทั้งหน้าที่อะไรที่ควรทำก็รีบทาให้มันเสร็จอายุขนาด น, นี้แล้วไม่ได้ทำพ่นหยกรรมก็รีบทำซะส่วนคนที่ไม่เคยเดินเวลาอยู่กับพ่อแม่นะอย่าไปคิดว่าเอ้ยฉันยังหนุ่ยยังสาวนี่อีกนายกว่าจะตายประมาทนะให้ถ้าเราทำหน้าที่ของเรามีความรับผิดชอบมออีภารกิจแดพย า, ยามทำให้มันแล้วเสร็จ นะไม่ให้ค้างค้างเนี่ยเวลาตายก็จะตายได้ง่ายไม่งั้มันจะต่อต้านมันจะขัดขืนและมีอันนึงนะที่อยากจะฝากเอาไว้นะมันเจอว่าคนที่สูงวัยแต่ที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะใส่ใจนะถึงแม้จะเป็นคนหนุ่มสาวก็คือว่าลองคิดสั้นหน่อยนะว่า สักวันหนึ่งเมื่อเราต้องเจ็บป่วยจนถึงขั้นไม่รู้สึกตัวไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้อะไรบ้างที่เราอยากจะให้หมอทำอะไรบ้างที่เราไม่อยากให้หมอทำบางคนเนี่ยนะไม่อยากจะให้หมอเจาะคอบางคนไม่อยากจะให้หมอปั๊มเมื่อตัวเองเนี่ยอยู่ในระยะสุดท้าย ก็ต้องบอกหมอหรือว่าทำเอกสารดีที่เป็นปัญหามากนะหลายคนเนี่ยจะบอกลูกว่าถ้าชั้นเป็นอะไรไม่ต้องยืนนะแต่ไม่ได้ทำอะไรเป็นลายละอักษรเลยหรือบางทีไม่ได้บอกลูกด้วยพอถึงเวลาป่วยหนักแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนะลูกไม่รู้ทำยังไงลูกไม่รู้ทำไงลูกจะบอกหมอว่าอย่างไง หมอทำเต็มที่ทำทุกอย่างเพราะคิดว่าเนี่ยนะเป็นการช่วยแม่เป็นการช่วยพ่อแล้วก็หมอทำทุกอย่างจริงนะเจาะค อ, อใส่ท่อปั๊มหัวใจยึดกระพืงความดันทั้งที่อยู่ในแล้วสุดท้ายแนละ้วมันไม่มันไม่ช่วยอะไรเลยนะในอเมริกาเนี่ยหมอที่อยู่ในห้องไ c ซเนี่ยที่ทำทุกอย่างคนไข้เนี่ยนะเขาเรียกฟ u l l Option เพื่ อ, อยืดชีวิเนี่ยหมอเหล่านี้เนี่ยกว่า 50% นะยอมรับเลยนะว่าไม่มีประโยชน์เขารู้นะไม่มีประโยชน์นะแต่ต้องทำเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ทำํำก็ถูกฟ้องหรือว่าญาติให้ทําหรือว่าทําเพราะว่าไม่ต้องการคนไข้เนี่ยตายในเมืองของตัวเองเพราะว่าบาหมอนเนี่ยนะเขาก็มีเวรใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคนไข้ตายในเมืองของตัวเองนะ งานเข้าเยอะต้องทําเอกสารนะต้องทําไปต้องไปงไประชุ conference มคอนเฟอเรนซ์เพื่ออธิบายว่าทำไมตายเพราะอะไรหมอก็เลยวิธีที่หมอจ ะ, ะเลี่ยงความรับผิดชอบแบบนี้เนี่ยซึ่งมันกินเวลามากเนี่ยก็คือพยายามทำทุกอย่างไดนะ้เพื่อไม่ให้หมอเนี่ยเพื่อไม่ให้คนไข้ตายในมืงองตัเวเองเช่นอยู่ในเวรดึกเนี่ยอยู่ในเวรดึกอยู่เวรดึกก็ทำทำให้คนไข้อยู่รอดจนถึงเวรเช้าพอถึงตอนเวรเชา้าตัวเองก็ไปอยู่แล้วให้หมอคนหน้ามันหลับเพราะไป อันนี้นี่เป็ น, ป น, ปนคำพูดของหมอใ น, ในมริกรัามนตมาไ ม, ไม่รู้ว่าหมอไทยเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าในราฬิกาถ้าถ้าตายในเมืองตัวเองเนี่ยมันมี p a p e เ w o ร์เวิร์เยอะมากแล้วมันต้องไปเข้าประชุมคอนเฟอเรนซ์เอ็นเะเพื่อสู่ให้ได้ว่าตายเพราะอะไรโดยเพราะในโรงเรียนแพทย์นะะเนี่ยเดินทุกทุกอย่างเป็นอย่างนี้ แล้วสุดท้ายก็ลูกหลานก็ก็ไม่ไรู้จะทำยังไงเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้บอกส่วนคนไข้นะตาก็มองหมอมองลูกหลานตาปิดๆตาเนี่ยสายตาส่งเสียงวิงวอนส่งสายตาบอว่าปิดเครื่องเธอถอดสายเธอแต่พูดไม่ได้นะแต่สายตาเนี่ยลูกหลานเขารู้เลยว่าพ่อหรือแม่ทรมานมาก นี่เป็นเรื่องที่พูดกันซ้าแล้วซ้าเล่านะแล้วก็ไม่เคยไม่ไม่เคยมีการเตรียมหรือการเรียนรู้จะปิดเครื่องก็ปิดไม่ได้จะถอดสายก็ถอดไม่ได้ใช่ไหมฮะลูกหลานบอกให้หมอถอดหมอบอกหมอไม่ถอดลูกหลานถอดเอง <c oughs> ลูกหลานถอดยังไงอ่ะถอยยังถอดไม่เป็นเลยใช่ไหแล้วเสียเงินเป็นสิบสิบล้านใช่ไหมฮะเเป็นสิบสิบล้านแล้วเนี่ยถ้าเรา เราไม่อยากให้เราเป็นพันลกับลูกหลานนะเตรียมไว้หน่อยนะว่าถ้าเราป่วยระยะสุดระยะสุดท้ายนะอุบัติเหตุไม่ม่เกี่ยวนะถ้าป่วยระยะสุดท้ายหมายความว่ามันรักษาไม่หายมันมีแต่ลงนะและไม่สามารถจะตัดสินใจได้ตัวเองเนี่ยจะให้ทําอะไรไม่ให้ทำอะไรหลวงพ่อตมานะหลวงพ่ออเขียนท่านเขียนไปเลยนะว่าถ้าท่านเนี่ยอยู่ในสุดท้ายแล้วไม่สามารถตัดสินใจได้ตัวเองเนี่ยท่านบอกไม่ต้องทําอย่างนึงไม่ต้องทำสามอย่างหนึ่ง ใช้เครื่องช่วยหายใจสองผ่าตัดใหญ่สามใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจท่านสั่งไว้เลยนะซึ่งมันทำให้ใหลูกทำให้ลูกศีลดง่ายมากเลยแต่เพอนะท่านท่านรู้สึกตัวมาตลอดนะแล้วก็พอท่านมรณภาพท่านก็มรณภาพที่วัดไม่ได้อยู่ในภาะโคม่าเพียงพ่อไ่เอนไอ้ก่อนหรือที่ก่อนที่ที่ตอต่อนุงเหลือเนี่ยมันมันปิด ปิดมันไปมัปปิดหลอดลมตอนตีสีเนี่ยท่านส่งสัญญาณนะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ถายใจไม่ออกนะให้ลูกศิษย์มาช่วยขยายหลอดลมแล้วก็ลดการบวมของของก้อนเนื้อแต่ว่าทำยังไงก็ไม่สำเร็จนะจู่ๆท่านก็บอกเนี่ยขอข้าของน้ำ หลังจากปลุกปั้งมาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่สําเร็จหายใจลําบากมากขึ้นเสียงดังพื้นท่าทวายขอห้องนะถ้ามีสติดีมากเข้าห้องน้ำนะแล้วก็เช็ดมือเช็ดหน้ า, าล้างล้างมือล้างหน้าเสร็จแล้วปีนขึ้นเตรียงเพราะท่านกลับไปที่เตียงลูกสิก็มาบรรุมมาตุมทำหมายสามสี่คนเพื่อทําให้หายใจได้สูดแต่ไม่สําเร็จจู่ๆท่านก็ขอรินสอขอกระดาษ แล้วเขียนข้อความว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายเพราะท่านทุนเลือกไม่ไมสําเร็จจะไปเสียเวลาลแต่ว่าท่านเขียนไม่ไม่ค่อยเขียนวัดนะลูกศิษย์อ่านก็ไม่รู้ว่าหมายความว่างไงท่านก็วางก็วางวางกระดาษแล้วก็ไปช่วยท่านต่อขณะที่สัญการหายใจมีปัญหาท่านก็ยังนิ่งอยู่นะท่านก็สมมงบไม่ทุรนทุรายสักพักท่านก็ยกมือ ลูกศิษย์คิดว่าท่านยกมือขอบคุณูกยกมือไหว้นะลูกศิษย์คิดว่าท่านยังยกมือขอบคุณว่าท่านทํานี้เป็นประจําท่านเป็นคนที่ไม่ถึงตัวมากนะไหว้ลูกศิษย์นะขอบคุณลูกศิษย์ที่มาดูแลท่านแต่ลูกศิษย์ไม่คิดว่าท่านเปนมือแบบนี้แสดงว่าท่านกำลังจะบอกว่าลาก่อนพอท่านปนุวิเจษท่านก็หลับตาชักพักท่านก็ขอตกหมดลมไปแล้วฮะ นึกาว่านคนที่หายใจแล้วออกนะมันน่าจะทุรนทุรายนะแต่ว่าท่านนิ่งมากแล้วก็ท่านจากไปอย่างสงบไม่เหมือนกับคนนอนหลับไม่มีอาการการดิ้นพลาดคลอดพุทธพุทธพลา ด, ลา ด, ลาดนะเหมือนคนที่ไม่มีลมหายใจสติท่านดีมากดงนั้นคนเราเนี่ยนะเราสามารถจะตายสงบได้นะถ้าเราฝึกนะแต่ว่าย้อนกลับมาประเด็นที่ตมาได้พูดนะว่า พวกเราซึ่งเป็นผู้ที่ชลาแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่อยากสร้างภาระกับลูกหลานเนี่ยนะเขียนไว้นะแสดงเจตจำนงล่วงหน้าเอาไว้ว่าถ้าเราอยู่ในรัชสุดท้ายและไม่สามารถจะตัดสินใจได้ได้วยตัวเองเพราะโคม่าแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่ให้ทำอะไรบ้างที่ไม่ให้ทำนะอันนี้เอกสารนี้ภาษาฝรั่งเรียกว Living Will คือพี่นายกรรมที่ใช้ตอนยังมีชีวิตยอยู่ซึ่งกฎหมายรับรองนะถ้าเราบอกว่าเราไม่ต้องการให้หมอทำอะไรเนี่ยและถ้าหมอไม่ทำหมอทำตามที่เราต้องการเนี่ยก็คือไม่ทำโน้นไม่ทำนี่เนี่ยหมอทำได้นะหมอพ้นผิดนะฟ้องไม่ได้นะอันนี้มีกฎหมายรับรองนะ้เพื่อให้หมอเนี่ยทำตามเกีรตอารมณ์ของคนไข้ในลักษณะที่จะไม่ใช่เป็นการยือ้อหรือสร้างความทุกข์ทรมารให้คนไข้ อันนี้เป็นเรื่องที่จะประมาทไม่ได้นะเพราะว่าวันดีคืนนีเอาลื่นในห้องน้ำหัวก็แทกคืนโคม่าไปเลยเส้เรือดีกสมองแตกจะทำยังไงจะยื้อหรือเปล่านี่เป็นปัญหาซึ่งสร้างความทุกข์ให้กับลูกหลานจำนวนไม่น้อยนะเพราะว่าการที่พ่อแม่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยไม่ได้บอกเก่าอะไรไว้เลย อันนี้ก็ฝากไว้เป็นเรื่องการเตรียมตัวนอกจาก น, อ ย, นอยการเตรียมใจอาตมาอยากจะย้ำว่าเรื่องการตายอย่างสงบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้มันเป็นสิทธิที่อยู่ในวิสัยมันเป็นสิทธิของทุกคนเด็กคนเล็กๆ ก, ก็ตายอย่างสงบอาตมาก็ได้ฟังได้พบได้เห็นเรื่องของคนที่ตายอย่งสงบไไม่น้อยนะ ดังนันจีนยินดีว่าการตายสงบเป็นสิทธิของทุกคนนะอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ที่ว่าเราจะฝึกปรือเตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าฝึกมามากเนี่ยการตายเนี่ยจะเป็นการตายที่งดงามมากซึ่งมางทีก็ไม่น่าเชื่อนะเมื่อสักเจ็สิบปีก่อนเนี่ยมันมีแม่ชีคนหนึ่งนะตอนที่เป็นค า, ารวาเนี่ย ก็เป็นคนที่มีความรู้ด้านปริยัติมากนะเป็นลูกเสนาบดีชื่อคุณหญิงใหญ่ดำรงธรรมศาสตรแล้วก็เขียนหนังสือธรรมะที่ลึกซึ้งมากจนบางคนเนี่ยเข้าใจาเป็นผลงานของหลวงปู่มั่นเพราะว่าท่านไม่ได้ลงชื่อเอาไว้นะฝรั่งเนี่ยขึ้นมาค้นพบเนีดรมาตินสีเกลือขึ้นมาค้นพบว่าหนังสือชุดปิยธรรมะหลายเพราะเขาจาใเป็นงานของหลวงปู่มั่นเนี่ยคือธรรมานุธมะปฏิบัติเนี่ยคุณหญิงใหญ่เนี่ยตะวันเขียน วิญญาณในตอนท้ายชีวิตประมาณสักห้าสิบปก็ปวดชีแล้วปวดได้สักสี่ห้าปีก็ป่วยตนวันหนึ่งหมอก็มาเยี่ยมตอนที่ป่วยหนักแล้วหมอก็พูดว่าแม่ชีอยู่ได้นานแม่ชีก็บอกว่าคุณหมออย่ามาหลอกดิฉันอย่ามากลอก ด, ดิฉันแม่ชีรู้ดีว่าป่วยหนักแล้วไม่กีวันต่อมาอาการก็หนัก ก็ไปให้เด็กไปเรียกนิมนต์พระมาแล้วก็ขอพระมาถึงเป็นพระที่รู้จักนะก็ท่านก็บอกว่าเลยให้สวบดบทไหนสวดเสร็จก็สนทนาธรรมกันสนทนาธรรมสักพักนี้นะท่านก็ขอลากราบลาแล้วก็บอกว่าดิฉันขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่กราบพระสามทีแล้วก็นิ่งไปเลยนะนิ่งในท่ากราบนะ ถ้านี่ตกใจงงนะไม่ตกใจประหลดาดใจไม่เอาตายจริงหรือเนี่ยตายไปแล้วหรือเนี่ยนะ <Ooh. S 1> เมื่อสักครู่นี้ในสีวิตแล้วยัพูดอยู่เลยนะพี่ฉันขอชึงสังขารที่นี่รู้เลยเป็นการตายที่งงามมากถามว่าปวดไหมมีเวทนาไม่มีทํำไมไม่มีแต่ว่าใจไม่ทุกข์นี่เพราะว่าท่านได้ฝึกมันดีคือเราไม่ไม่ต้องแบบเป็นเอาคงอยาจจะไม่หวังถึงขนาดนี้นะแต่ว่า ถ้าเราฝึกดีๆเราก็สามารถจะทำได้เราตมาก็ใช้เราพอสมควรแล้วก็คิดว่าคงจะยุีิท่านนี้มีลวลาก็เปิดไลมีกากสักถามก็แล้วกันอใช้เวลามา คิดว่าน่าจะโดนอกโดนใจเป็นหลายคนนะคะโดยเฉพาะตัวนี้นั่นเองที่น่าจะโดนทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็น้อมหลับที่จะต้องไปเตรียมตัวเตรียมใจหลายเรื่องนะคะแต่ก็อยากยืนยันว่าจริงๆเลยรสชาติของธรรมะที่ยังอร่อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากพระอาจารย์ให้เวลานะคะถ้าท่านมีความสงสัยในใจเนี่ยถามได้นะคะ เงินทองรรมัเจ็บนะมั้งพระอาจารย์บอกให้ปล่อยวางเพราะฉะนั้นท่านสูงวัยทั้งหลายที่มีเงินทองเยอะๆก็วางไว้ให้วัดต่าสุกตะโตก็ได้นะเจ็บๆนะมั้งคำว่าวยึดตินินทะหลบผอาจารย์ผมเคยพระอาชาบาอาจารย์แดงว่าต้องปฏิบัติอย่างไงท่านตอบว่าอย่าไปยึดติดผมก็ถามว่ายึดติดนี่มันมีอะไรที่เป็นมาอย่างไร ท่านก็ตอบกับผมว่ามีมีผู้หญิงผู้ชายคู้หนึ่งที่ตัวท่านไปปรากฏเห็นที่ใกล้ๆกระดอยตุงเนเป็นแปรตครัเพราะรักกันแล้วก็ยึดติดกันนะ <c oughs> ที่พระอาจารย์แรอยู่ละครไทยนะฮะยึดติดกันก็เลยไปเกิดเป็นแปรตด้วยกันแล้ว ไ, ไปไม่ได้นะมันยึดติดกันท่านถึงเอาชี้แนะให้ผมบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปยึดติด ที่งลยมม่เน้นเยอะๆเจ็ลน่เน้นะรเยอะลแค่ประโยคนําสั้นๆนะครับไม่ยดดติดอ่าเจตกลุ่มพลต้องบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ปฏิบัติธรคุณมังกรคุณอะไรเนี่ยเป็นเือเของสีทีนะฮะแต่ปฏิบัติทําคนนะครับอาสมหมายฮะได้ข่าวว่าอเจตี่เขาไปทุดงถึงสกลนครนะฮะเขาไปชนิดว่าไปปฏิบัติแบบเดซ้ มีบ้างนิดนิดหน่อยหนยไม่ไม่ค่อยสันท้านครับไม่ไม่เข้าถึงอย่างนี้ไปเป็นคนที่เรียกว่าบันปลายของชีวิตนั่นเองเป็นเป็นครอบครัวที่น่าอิจฉาครับครอบครัวอเจตนะเป็นคือครอบครัวเขาค่อนข้างแล้วะอเจตเขาก็วางหมดแล้วฮะมอบให้ลูกหลานเป็นเป็นตัวอย่างครอบครัวที่ดีนะฮะที่ ที่ต้องเย็ดวัน2คน <st> แต่แ<ป>ที่ที่มาในนี้ <ปะ S 1> ด้วยแต่ปี85ครับอยู่กันมา64ปีแล้วครับแล้วนี่ <c oughs> ชื่อสมบูรณ ดิฉันคุพ่ออาก็ร่ารวยมากพอสาธุเอ็นกคอมีกินรวยไุกคนแล้วกันลูกกันดรวยทุกคนรวยเท่าไหนหรือควรรวยถ้ารู้จักพ่อก็คือรวยนี่จบเลยจบเลยนะคะพอก็รวยที่พอาจารย์ก็บอกความความสุขมีได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าจริงๆวันนี้นะคะเป็นผู้สุขไว้ที่น้าอิจฉาทุกคนะเป็นผู้ที่มีความสำเร็จในชีวิตทุกท่าน ลูกหลานก็ดีทุกคนแล้วก็เป็นบารมีที่ยังคุ้มครองลูกหลานอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเป็นอะไรเป็นเอาไปเอาไเอาไปเอาไไปเไปเเอาไปเอาไปเาไไาไปเเอาอาไปเไปเาเอาไปเอาเอาไอาไปอเไปอเอาไปเเอาไปอาไาาไปเเอาไปอาไปเอาเอออาเปเอาาไปเอาาไปเาไปเอาไเออาไเาไปเอาเปาอาา นับได้นลฮะแต่ละคนเกินร้อยหมดฮะเกินร้อยหมดไม่ใช่ยุน ะ, ะเกินร้อยล้านหมดถ้าอาจารย์ก็เมื่อกี้เจออาจารนะฮะก็อาจารย์ก็บอกเลยว่าอาจารเนี่ยถ้าถ้ามีร้อยบาทเนี่ยอาจารที่นอนอยู่ดนนั้นมีเก้าสิบแปดบาทนะฮะเสียแค่สองบาทเองนะฮะกับโลกไทยที่มีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้า อาจารย์บอกว่าถ้าเราอยู่กับเขาได้นะฮ ะ, า, ะาโลกมันกล้ามาอยู่กับเราเราก็อยู่กับมันนี่นะคะมไม่ป ไ, ปไได้รับธรรมะโอาอยังีของให้ิีามากมได้ติย <c oughs> ังทำาให้ทให้ผู้สมัยมีความ ส, บบสมบัติทำข้างหลังจะถามอะไรไะอันนี้เป็นแฟนขับพระอาจารย์นะคะระับแ <c oughs> นะนา เป็นลูกศิษย์ที่ลู้ค่ะจริงๆที่จกกัดกรณี้ก็กระทันหันนะฮะแต่กนขกาดกระทันหันก็ห้าสิบนะฮะพระอาจารย์ตั้งเป้าไว้ยี่สิบนะฮะแต่พอข่าวออกไปเร็วก็เลยจะได้ออกมาครับก็เท่าที่ฟังนะฮะก็คิดว่าทุกท่านคงน่าจะได้ทุกอย่างนะฮะแต่ว่าได้มากได้นอย น, นะคะแต่เดี๋ยวบอกจริงจะโดนใจตัวเองมากแตะะ่ก็ ก็น่าจะต้องใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทมากนะคับคือแเน่คุณแม่เยเกิด ค, คุณแม่เนี่ยได้พูดโธพูดโธแต่คือตอน น, นี้แค่ก็เเราขอแค่พูดโทรแล้วคืออะไรตอนนีแกไม่เข้าใจอะเออพูดโธ พุทโธเนี่ยก็เป็นอุบายในการทำให้จิตสงบนะจิตเนี่ยมันมีนิสัยชอบเที่ยวนะไม่เหมือนกายนะกายเนี่ยนิสัยเนี่ยชอบนิ่งชอบอยู่เฉยเฉยใช่ไกายเนี่ยเราต้องฝึกให้มันออกกลังกายฝึกวิ่งนะนะถ้าเป็นคนหนุ่มคนสายต้องฝึกร่างกายด้วยการฝึกให้วิ่งนะแต่จิตเนี่ยมันชอบเที่ยว เราต้องฝึกจิตให้มันอยู่นิ่งๆนะพุโทโธเนี่ยมันเป็นวิธีการทำให้จิตนี่มันนิ่ง น, นะพอจิตไม่นิ่งเนี่ยจิตมันก็ได้พักมันก็มีกำลังเมื่อเมื่อจิตมันนิ่งเนี่ยจิตก็จะมีกำลังนะแล้วเราใช้จิตที่นิ่งเนี่ยในการดูดูความจริงของกายและใจ เราจะเราจะรู้จักอะไรเนี่ยเราต้องสังเกตเราการสังเกตเราต้องนิ่งใช่นิ่งที่ว่าตอตามานีมันมีลิงอยู่ฝูอยู่หลายฝูงเลยลิงเนี่ยมันชอบวิ่งนะชอบกระโดดนะแต่มันจะมีหลายช่วงที่มันอยู่นิ่งๆมันจะอยู่บนกิ่งไม้แล้วมันก็ดูเรามันดูเนี่ยมันไม่ไปไหนมันจะนิ่งแล้วดูสังเกต แล้วในสมุดมันจะพบว่าเรากินอะไรและเราเอาอาหารไปซ่อนไว้ที่ไหนไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วมันรู้ได้ว่าจะเปิดถ้ามันเมื่อมันรู้ว่าอาหารเราเนี่ยเราเก็บไว้ในตู้ในในลังเนี่ยมันรู้ว่าจะเปิดยังไงจะเปิดตู้ยังไงมันฉลาดมันฉลาดเพราะมันสังเกตมันดูและมันจะดูได้จนเกิดความรู้เพราะมันนิ่ง เราใช้จิตที่นิ่งเนี่ยนะ <Yeah. S 1> ด้วยอำนาจพุโทโธเนี่ย <Yeah. S 1> เพื่อดูดูไงดูกายดูใจดูให้เห็นว่าใจก็ไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยนะ <Yeah. S 1> ดูเพื่อที่จะรู้จักปล่อยวางดูเพื่อพบว่าทุกเพราะแบกคนเราทุกเพราะแบกนะทุกเพรานะรยึด ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องรู้จักปล่อยคนเนี่ยเวลาทุกข์เนี่ยไปโทษสิ่งอื่นไปโทษเสียงดังไปโทษเจ้านายไปโทษลูกน้องไปโทษลูกบองคงไปโทษพ่อแม่บงางคนกไปโทษนักการเมืองโทษจราจรแต่ที่จริงเป็นเพราะใจเราเนี่ยไปแบกมันเอาไว้ใช่ไหมขึ้นชื่อว่าแบกนะ อะไรไม่ว่าจะแบกอะไรถืออะไรเนี้ยทุกทั้งนั้นยกตอย่างเช่นแก้วน้ำอยู่นะเอาหรือนี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยเบาไหมไม่หนักเลยนะแต่ลองถือไปสักชั่วโมงเดียโอ้โหมือสั่นเลยนะนะเอาไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องเอาแก้วนะเอานี่ก็ได้เบาไหมเบาใช่ไหมลองถือสักสองชั่วโมงดียวเราก็สั่นแล้วใช่ไหม ถามว่าที่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะหลอดหรือเปล่าเหนื่อยเพราะหลอดหรอเ่าไม่ใช่เหนื่อยเพราะไปถือไปยึดหลอดเอาไว้เข้าใจไหมฮะก้อนหินเนี่ยไม่หนักถ้าเราไม่แบกนะนี่ก็ไม่ทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่แบกมันหลายคนได้ทุกข์เพราะว่ามีนี่เป็นนี่นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนี่ไม่ทําให้เราทุกข์แต่เราทุกข์เพราะแบกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีถ้าเราดูใจเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกข์เพราะอะไรแล้วเราจะพบว่าทุกข์เพราะแบกแล้วทําไม่ทุกข์ก็คือปล่อยเกิดปัญญานะนะนเพราะนี่ฝึกให้ปล่อยนะฝึกปล่อยนะใครก็ทําอะไรเนี่ยเพื่อนบ้านจะทําตัวไม่น่ารักมีบางคนนี่นะปวดเพื่อนบ้านนี่ กอป่วนมากเลยนะเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านบางทีจุดประทัดเนี่ยมีคนบางคนเครียดมากมีแลายคนเนี่เครียดเพราะเพื่อนบ้านนะมาปรึกษาตมาเราทำยังไงตมาว่ า, า, าวปัญหาจริงของเขาคือว่าเขาไปแบกไปยึดไปติดไม่ป่อยไม่วางเพราะฉะนั้นเนี่ยอถ้าเราฝึก บ, บ่อยเนี่ยฝึกพุโทโธ บ, บ่อยเนี่ยมันจะเราจะใช้ ความสงบนิ่งของเราม่ทำให้เราเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายและใจแล้วเราจะรู้ว่าทุกข์เพราะอะไรแล้วเราจะรู้ว่าต้องปล่อยเนี่ยมันถึงจะสูงแล้วตรงนี้แหละนะไม่ทําให้เราสามารถจะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่ผ่านเข้ามาได้ไม่ว่าจะมีความจเจ็บความป่วยหรือแม้แต่ความตาย ฟองดีสนใจอางดยเพอูเหมือนคนที่ได้กลเอยชมแไม่็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแข็งแรงวันนี้เขาตั้งใจฟังิแกเนี่ยอาด้ตลอดเลยใช่แคนนั้นพอโดนดูไปเยอะวนี่ได้กำลังเยอะเนี่ยอมีคาถามไหอ่า การปฏิบัติสำหรับคนที่ลูกหลานในะการที่ดูแลคนป่วยผู้ผู้ชาราเนียค่ะเราควรจะฝึกตัวเองอย่างไรทำใจอย่างไรอะไรประมาณานี้ค่ะลูกหลานที่ดูแลพ่อแม่ที่กำลังป่วยค่ะการดูแลเนี่ยขอให้ครอบคลุมทั้งกายและใจ อย่าดูแลแต่เฉพาะเรื่องร่างกายนะเรื่องใจก็สำคัญหลายคนเนี่ยเป็นห่วงแม่เป็นหว่นหวงพ่อว่ากินอย่างนี้ก็ไม่ได้นะกินอย่างนั้นก็ไม่ได้ให้แม่ก็อยากกินเหลือเกินพ่อก็อยากกินเหลือเกินใช่ไหมบางทีก็พอเห็นพ่อแม่ออดกินก็โกรธก็ว่าใช่ไหว่าเห็น เห็นว่าเป็นห่วงว่าการกินอาหารในโนนเนี่ยมันจะไม่ดีต่อสุขภาพในกรณีแบบนี้เห็นได้ชัดว่าเขาสนใจในเรื่องของสุขภาพกายเขาไม่สนใจเรื่องของจิตใจการไปการไปดตาหรือดุว่าพ่อแม่เนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจใช่ไมเพราะนี้อย่าอย่าไปอย่าไปอยไปคิดแต่เรื่องร่างกาย เรื่องแต่ก็สําคัญเพราะนั้นเวลาคุยกับพ่อแม่ก็คุยคุยด้วยความเมตตาด้วยความเข้าใจอย่าเอาความปรารถนาดีเป็นทิศตั้งแล้ไปบังคับเา้านบะ่อยครั้งเนี่ยพ่อแม่บังคับลูกด้วยความปรารถนาดีแล้วเมื่อลูกโตขึ้นลูกก็บังคับแม่ด้วยความปรารถนาดนะีแต่ว่าสร้างความทุกขแห่งการรักกั น, กนนะบางทีก็ปล่อยๆไปบ้างใช่ไหม เออให้ความรักแก่ท่านนะให้ความมั่นใจนะให้ความมั่นใจว่าเราจะดูแลท่านคนป่วยไม่ว่าแตคนป่วยเลยคนแก่เนี่ยหลวงพ่อความเขียนที่เคยพูดว่าเนี่ยเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าส่วนผู้ใหญ่ในวันนี้ก็คือเด็กในวันหน้า คุณเข้าใจไหม <c oughs> ใช่ไหมก็คือว่านอกจากจะช่วยกันไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยบางทีก็ต้องการความเห็นใจต้องการความรักใช่ไหมบางทีก็ขี้น้อยใจใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องเข้าใจอา่าก็ต้องอดทนวเวลาพอ่อแม่ําตัวเหมือนเด็กเนี่ยก็ต้องอดทนหน่อยใช่ไหมบางทีถ้าเรียกร้องความเห็นใจแล้วก็เรียกร้องความสนใจเราก็อย่าไป อย่าไปเราก็ต้องอดทนนะอย่าไปจําพี่จาชายกับท่านหรืไปจะไปดูว่าท่านนะและสมาชิกว่าการการที่เราจะดูแลจิตใจของพ่อแม่ได้เนี่ยเราต้องดูแลใจเราด้วยอย่าให้ใจเราเนี่ยมนหงดหิดเครียดคนที่ดูแลพ่อแม่ที่แก่ที่ป่วยเนี่ยนจํานวนมากจะเครียด ริงถ้าดูแลคนเดียวนะเพราะนั่นต้องมีคนช่วยต้องมีคนช่วยช่วยผัดกันดูแลนะเป็นการเตือนสติของผู้ดูแลสำคัญต้องรู้จักพยายามที่จะเยียวยาจิตใจตัวเอง เพื่อจะได้มีความอดทนเพื่อจะได้มีความสงบเย็นแล้วความสงบเย็นผู้ดูแลก็ช่วยทำให้พ่อแม่ที่ป่วยเนี่ยเขาสงบเย็นไปได้และเดี๋ยวนี้เนี่ยนะพ่อแม่ที่ป่วยด้วยมะเร็งเนี่ยอาตมาว่ายัางมันมันก็หนักแล้วนะถ้าเป็นเอาไซเมอร์นี่หนักกวหนักหนักกว่าเป็นมะเร็ง น, นะนะอาตมาเจอมาเยอะแล้วนะ ลูกหลานที่ดูแลพ่อมาที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะคือเ้าเนี่ยถ้าอาการเขหนักจริงๆเขาช่วยตัวเองไม่ได้นะและที่มันเจ็บปวดในจิตใจคือพ่อแม่ที่เขาเคยรู้จักเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วคนเวลาเป็นอัลไซเมอร์นี่นะถึงสุดหนึ่งนะเป็นใครก็ไม่รู้อะ่ะคนที่อยู่กับพ่อแม่มานะโหพ่อแม่เขาดีกับเราแต่วันนี้เขาเป็นใครก็ไม่รู้ เขาจํารอไม่ได like ้เขาที่นิสัยเปลี่ยนคนละคนตาเขาเหมอลอยคนที่เคยยิ้มยิ้มแจงสายคนที่เคยทำกับข้าเรากินตอนนี้ไปไหนแล้วโอ้ยมันเจ็บปวดเจ็บปวดมากเลยนะคนที่ดูแลเนี่ยนะแล้วบางทีคนที่เอาสายมืออาละวาอาละวาจากคนที่เรียบร้อยคนที่ดีกับลูกนะเมตตากับลูกการเป็นใครก็ไม่รู้หนัก แล้วยิ่งถ้าดูแลคนเดียวนะโอ้โหหนักเลยนะเพราะว่าไหนต้องอุม้มไหนต้องป้อนค่าวไหนต้องทําอะไรสารพัดตอนนี้เป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะทั้งคนที่พวกระดับระดับรุ่นนักธรรมเนียรตอนเนี้ย น, น, นะเจอพ่อแม่ซึ่งอายุเก้าสิบเนี่ยแล้วเอาสอาเอาสไตเมอร์ความจําเสื่อมนะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกนะ็บางคนนี่นะอันนี้ไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยบางคนที่ญี่ปุ่นนะ ลูกเนี่ยดูแลแม่นะแล้วก็มีลูกคนเดียวแล้วก็ดูแลลูกดูแลแม่ไม่ไหวบางครั้งก็รู้สึกผิดที่ด่าแม่เพราะว่าแม่เนี่ยไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วบางทีก็ต้องตีแม่นะแล้วก็แย่มากนะแล้วเขาก็เครียด น, นะสุดท้าทํายังไงรู้ไหมเขาฆ่าแม่แเาขาฆ่าตัวตายใช่ไหมเพราเห็นแม่แบบนี้นเนี่ยโหแม่ตาย ตายดีกว่านะีเพราะว่ามันท ร, รมานแม่ด้วย <c oughs> ใช่ไหมเขาเองก็แย <c oughs> ่ใช่หมเขาเองก็อยู่ไม่ไหวเขาสึกติดพขาไปยิงโดนตายแต่ถ้าเขาตายแล้วแม่ไม่ีใครดูแลแม่ก็แย่ก็ก็ตายด้วยกันนะเพราะเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่มันเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับสองคนคนในสังคมสมัยใหม่ซึ่งมีรูปน้อยใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่กันคนเดียวสมัยก่อนนี่จะเป็นคนแก่ใช่ไหม มีลูกหลายคนช่วยกันดูแลนะผัดยกันไปคนที่เครียดก็เปลี่ยนคนคนใหม่มาแล้วก็มีป้ามีปู่มีนา้ามีหลานเนาะในหมู่บ้านเนี่ยมาคอยช่วยดูแลในหมู่บ้านนี่นะเวลาคนป่วยเนีะโหยังมีคนมาดูแลแยะแต่ในเมืองเนี่ยถามาดูแลใครดูแล <c oughs> ก็มีลูกหนึ่งคนลูกสองคน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วบางทีลูกก็ทะเลาะกันเสียงกันใช่ไหม <c oughs> แล้วไม่มีคนมาดูแลไปจ้างคนมาดูแลก็ไม่ได้ดีดังใจ สุดท้ายบางคนเลือกที่จะส่งลูปส่งพ่อแม่ไปบ้านพักคนชลาซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อตมาคิดว่านี่คือปัญหาที่เราต้องเตรียมตัวที่จะเผชิญ น, นะสุดจะสุดท้ายอย่างที่สุดก็คือว่าต้องทําใจรักษาใจให้ดีเพื่อที่เราจะได้ฟันฝ่าความทุกข์ไปด้วยกัน แต่ทั้งหมดต้องอาศัยระบบที่รองรับนะระบบสุขสาธารณสุขซึ่งตอนนี้เมืองไทยเราไม่ได้เตรียมเลยนะเมืองไทยเราไม่ได้เตรียมเลยว่า<อ>ซึ่งให้สังคมเรานี่เป็นสังคมคนแก่นะตอนนี้เมืองไทยเป็นสังคมคนแก่ 13-15% เนี่ยอายุต่ําอายุสูงกว่า 60% 60ปีกว่า 10% เนี่ยเป็นคนที่อายุกว่า60ปีเนี่ยถือว่าเป็นสังคมคนแก่ที่แก่ที่สุดใน อ, อาเซียน ลองก็แต่ญี่ปุ่นแล้วเราจะรับมือคนแก่ยังไงเราจะให้คนแก่ทุกคนมาตายที่โรงพยาบาลไหมซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ mm hmm. เพราะโรงพยาบาลเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็รองรับกันไม่ไหวแล้วเราจะให้คนแก่ไปตายที่บ้านก็บ้านก็ไม่พร้อมที่จะรองรับเพราะเดี๋ยวนี้มีรุ่นคนสองคน <Yeah. S 1> แล้วนี่เราพูดถึงโรคโรคธรรมดานะโรคมะเร็งเลยนะเราไปพูดถึงโรคออสไซเมอร์นะซึ่งมันก็เป็นโรคที่ อ่ต้องดูรักษาตัวกันนานเนี่ยอาจจะสิบปีนะเพราะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็ น, ปนรียกว่าเป็นระเบิดเวลานะที่กําลังจะระเบิดขึ้นในเมืองไทยซึ่งก็อาจารย์ก็ไม่รู้จะจ้องเหงือยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่มีใครมองเรื่องนี้ในอนาคตพตอนนี้แค่เราอยู่กันแค่เดือนต่อเดือนทั้งเมืองไทยนะทั้งประเทศอยู่กันแค่เดือนต่อเดือนนะ ตอนนี้คิดไปแค่แค่ว่าเนี่ยเมื่อไหร่รัฐมนตจะไปลงประชามติที่อื่นแค่นั้นนะคิดไปไกลไม่ได้อันนี้ต้องากระฝากเอาไว้นะเพราะว่าอยนเล็กน้อยเนี่ยในระดับครอบครัวเนี่ยจะต้องคิดไปแล้วว่าถ้ามันเจอถา้เอถาเราเจอเหตุการณ์ น, นี้จะทำอย่างไรกลับไปถามอาจารย์ค่ะคือว่า ลักษณะคนที่ไม่มีลูกนะคะแล้วก็นอกจากคนที่ไม่มีลูกแล้วคนที่ยังไม่ได้แต่งงานด้วยเพราะฉะนั้นสังคมตัวนี้มันจะมีแบบนี้เยอะจยากเตรียนถามผู้จารย์ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วเราจะต้องเตรียมตัวตายยังไงด้วยสำหรับคนที่ไม่มีลูกไม่ได้แต่งงาน ก็เป็นประกเดียกับพระนะพระก็เไม่มีลูกนะและตอนนี้พระแก่ๆก็พ อ, อไปเจอพระรูปหนึ่งที่ที่โรงพยาบาลแถวทิษบุรีพราะว่าพระในว่นไม่สนใจท่านที่ท่านเป็นเจ้าว่าและเป็นอุปัชาและเป็นเจ้าหน้าตำบนนะคนที่ดูแลท่านไม่ใช่พระคนที่ดูแลเป็นหลาน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าน่ากดทูนมากว่าพระในวัดเนี่ยนะไม่เอื้อทอนกับเจ้าว่านเลยนะทั้งที่ท่านก็เป็นเจ้าว่านมาสามสิบปีสี่ส<ม>ิบปีเป็นพระครูด้วยน ะ, นะอะตอนอตาอ ต, ม า, อตมาคิดว่าแต่อัตมาอาตมาคิดว่ากับประสบการณ์อาตมานะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่อาตมา ก, ก็เจอเพื่อนหลายคนซึ่งเขาก็เป็นโสนแล้วถึงเวลาที่เขาป่วย ก็มี shower, คนมาดูแลคนที่ดูแลกเพื่อนนะแล้วก็ดูแลได้ดีมากเพื่อนผัดกันมาดูแลพ่อแกมันคนมีน้ำใจใช่ไ้ยแกต้องมาคิดว่าถ้าเราทําความดีมีความเพื่อเพื่อเพื่อคนผู้อื่นเนี่ยถึงเวลาถึงเวลาที่เราป่วยถึงเวลาที่เราช่วยตัวไม่ได้เนี่ยนะความดีที่เราทําก็จะส่งผลทําให้มีคนมาช่วยดูแลเราอาจจะมาความเชื่อแบบนั้นนะเพราะสังคมไทยเนี่ยก็เช่นเดียวอาจจะยิ่งกว่าสังคม หลายสองคนเือเรามีเครือข่ายนะของมิตรภาพนะบางทีเราก็มีเครือข่ายของลูกหลานนะซึ่งก็ยังยังมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งเมนะ้ถึงแม้ว่าเราจะมีการเป็นไปอย่างไรเนี่ยในแง่การดูแลเนี่ยนะในแง่การดูแลทางกายนะอาตมาว่ายังไม่ค่อเป็นไม่ค่อเป็นปัญหาแต่สิ่งที่เป็นปัญหามากกว่าการดูแลทางจิตใจเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่าไหร่ รวมทั้งในโรงพยาบาลด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเร า, เามีเรือข่ายเพื่อนฝูงที่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะถึงวเวลาเราเป็นอะไรไปเนี่ยอาตมาว่าเพื่อนฝูงไม่ทิ้งอาตมาเจอมาเยอะนะคนทีเ่เป็นมะเร็งทั้งที่เป็นโสนเนี่ยเสร็จแล้วก็มีคนมาช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันทำงานศพนะได้อย่างได้อย่างงดงามคราวนี้พูดเรื่องการ อันนี้เือเรื่องการดูแลอันนี้เพืเรื่องการเสียบ ต, ตัวตายจะมาว่าก็ในง่มันก็เป็นยิ่งยิ่งเป็นข้อดีเข้าไปญใหเพราะเราไม่มีห่วงไม่มีลูกไงต้องห่วงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ที่เป็นพาลานนก็ลดน้อยถอยลงมีทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่ต้องคิดว่าจะแบ่งให้เท่าให้เท่าเทียมันได้อย่างไรจะมายกให้เป็นสาธารณรไปเลยก็ได้จบถ้ามีลูกก็ต้องคิดเออจะแบ่งให้เท่าไหร่นะแบ่งเท่ากันดีไหมใช่ไหม แ้วถ้ามีตึกแถวตึกเดียวจะทํำยังไงนะจะแบ่งครึ่งก็ไม่ได้หานสามก็ไม่ได้คนที่เป็นพ่อแม่ก็เครียดเหมือนกันนะเรื่องการแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับลูกแต่ถ้าไม่มีลูกเลยเนี่ยโการแบ่งสมบัติทํา ม, มรดกเนี่ยนะมันก็ง่ายเพราะฉะนี่สิ่งที่เราอยู่ที่การวางใจการเตรียมตัวของเราซึ่งอาจารรรก็ได้พูดไปแล้วนะและถ้าอยูใ่ในช่วงที่ใกล้ตายเจ็บป่วยยังไงเนี่ยนะเมื่อเกี้อาจาย์ธรรมพูดไม่หน่อยนะแต่ว่า จะพูดอย่างสรุปก็ได้นะคนเวลาจะใกล้าตายเนี่ยไม่ว่าเราเองกำลังจะตายหรือว่าเราจะช่วยให้ผู้อื่นที่ที่กำลังจะตายเนี่ยไปตายอย่างสงบเนี่ยมันก็มีหลักอยู่สองข้อใหญ่ๆนะซึ่งนันมาก็สรุปมาจากที่ผร้เจ้าได้สอนเอาไว้ mm hmm. หนึ่งนึกถึงพระสองละทุกสิ่งนะจำให้แค่นี้แหละหนึกถึงพระ ก็คือพระรัตนตรยัยพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์หรือพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็ได้อาจจะหมายถึงพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมก็ได้พระเจา้าพระอัลเลาะห์ก็ได้นะแล้วแต่ความเชื่อทางาศาสนาของแต่ละคนข้อนี้รวมถึงการนึกถึงความดีที่ได้ทำสองละทุกสิ่งปล่อยวางทุกอย่างสองข้อนี้เนี่ยนะไม่ว่าเป็นใครทําแล้วจะได้ผล ถ้าทําได้นะไอ้ที่ทําำไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมนะปล่อยให้ความทุกข์ข่มงามปล่อยให้กิเลสตัณหาตามมันมาเล่นการติดใจนะบางคนเนี่ยทําช่วงมาตลอดนะเวลาใกล้ตายมีคนนำทางหลวงปู่หรือท่านเขินลายฟังมีผู้ชายหนึ่งแกแกเป็นชาวประม ง, ง, งหรือแกค้าขายปลาแกทะลกับปลามากนะเวลาจะตายเนี่ย ก็มีพี่มัพี่พี่มาบอกนะบอกให้ภาวนาพุทโธแกก็บอกพี่ว่าให้ปลาส้มเทพโพอยู่ในครัว <c oughs> ว่ให้พูดพุทโธไม่ได้ถึงปลาเทพโพอ <c oughs> นะเพราะว่าทั้งชีวิตเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่เรื่องการฆ่าปลานี่แหละนะนะให้ภาวนาพุทโธให้นึกถึงพุทโธ <c oughs> ปลาส้มเ <c oughs> ทพโพอยู่ในครัว <c oughs> พอบอกอาหังก็ไปนึกถึงปลาในกระชัง ใช่ไหมคือไอแบบนี้เนี่ยคือจะไปเตรียมเอาตอนจะตายเนี่ยจะให้คนมานําทางตอนตายมันไม่ได้ผลแล้วถ้ามันไม่ไม่ได้เตรียมเอาไว้เลยใช่มเพราะันต้องทำเอาไว้ต้องฝึกเอาไว้นะตั้งแต่ตอนนี้นะนึกถึงพระนะแล้วก็ลาทุกสิ่ ยังไงฮะทุกอนสมงเกับเวลาแล้วมั้ง <c oughs> งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาเ <c oughs> ทศนาก็ต้องมีวันจบนะเ <c oughs> มือนกับชีวิตเรานิสุดก็ต้องดับไปเพือนให้พระอาจารย์อุปพรเงี้ยเดี๋ยวขอเจ้าภาพจะถวายสังถวายนี้เล็กหน่อยนะคุณลุงอ่ะญาติพี่น้องมาร่วมกันแล้วก็ถวาย อีน you know, ้องไอซ์